เมื่อเช้าใครที่ไม่ได้ฟังตอนเช้าแต่ฟังย้อนหลังนะตอนเช้าอ่ะไปเปิดฟังย้อนหลังเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องยอดของกุศลว่ากองของบุญกองของกุศลเราทํำยังไงให้มันได้บุญได้กุศลที่แท้จริงอะไรก็ตามในพุทธศาสนาเราเนี่ยว่า แม้แต่ครังว่าพระพูดเรายุคปัจจุบันนี่มันยุคของคนฉลาดแม้พระพูดเราจะต้องสอบได้ด้วยคำพีคมพีในาศาสนาเรามีอยู่สามชั้นคมพีปฐมภูมิคือชั้นที่พระพุทธเจ้าตรัสเองแล้วคำพีแล้นปฐมภูมิเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเองด้วยของพระเถระพระสาวกที่อยู่ในยุคพระพุทธเจ้าด้วยนี่ก็เรียวกว่าคำพีชั้นปฐมภูมิ ซึ่งมันมีหลากหลายมากในทางที่เราจะเข้าถึงนะโทรศัพท์มันจะไปก ด, ได้อย่างอื่นกดมั่งเมื่อเช้าบอกว่าให้ไปเปิดอ่ากุศล ร, ราศีสูตรก็กดเข้าไปสิใช่ปะละ่ะกดเข้าไปดูว่าพระพุทธเจ้าจัดอย่างไรกุศล ร, ราศีสูตรนะคือกองของกุศลกองบุญที่แท้จริงเป็นยังไง จะได้ไม่พลาดไปกดฟวงย้อนหลังแม่พระพูดค่ณเชื่อทันทีไม่ได้ใช่ไหมกับพระพุทธเจ้าก็เชื่อทันทีไม่ได้เหมือนกันกับรู้เจ้ามันก็นจะต้องคิดใครครวนก่อนเหมือนกันแต่ว่าพวกที่มีศรัทธามากแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าถ้าเราเชื่อโดยไม่ได้ศรัทธาเราเชื่อไปก่อนโดยไม่ได้ทา ก็มีหลายคนที่เดินออกไปจากศาสนานี้เพราะว่าอาศัยเชื่ออย่างเดียวเชื่อเชื่ออย่างเดียวโดยไม่มีความรู้เพราะเชื่ออย่างเดียวไม่มีความรู้ทำไปทำมามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ้าเนี่ยแปกฝังเข้าสู่ภาคบ่ายเลย <c oughs> ตอนบ่ายนี้ก็เมื่อเช้าพูดถึงกองของกุศลตอนบ่ายก็จะพูดกองอกุศล เราจะไปรู้ในเรื่องกุศนอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้เรื่องอักุศลเมื่อเจ้ากองของกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นยอดของกุศลที่แท้จริงสามารถทําได้ทันทีก็คืออะไรคือสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมการวางจิตไปในสติปัฏฐานสี่คือกายรูปัสนาเรียกว่า กาเ ย, ยกายนุัฒส์ีวิหารติอัตาพิสัมบัชนโสติมาวิเนยะโลกเอยาปิชาชโทมนานัสังหมายความว่ามีจิตรูรูไ ก, กในกายอยู่มีความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีอาปิชาวิเนยะโลกเอยปิชาโทมนานัสังคือว่าหยุด อภิชาและโทมนัสในโลกคือความดีใจและเสียใจในโลกเสียได้ทุกครั้งเวลาเวลาจัดเป็นยอดของกุศลจะต้องมีคํานี้แม่รู้กายรู้ใจแต่ไม่มีองค์ประกอบของคําว่าอาตาปีสัมปชัโดสติมาวิเนยโลเกอภิชาโทมนัสสังชัยไม่ได้สติก็จะเป็นมิจฉาสติสมาธิก็จะเป็นมิจฉาสมาธิทำไมจึงเป็นอย่งางนะั้น่ะ อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสแล้วทีนี้เราก็มาขายายความทําไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะสติไม่บริสุทธิ์สมาธิไม่บริสุทธิ์อาตาปีหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเพียรเท่าใดมันจะแผดเผาเท่านั้นอาตาปะเนี่น้ำแปลว่าร้อนเผาเผากิเลสสันดานในใจของเรานะเผาความชัวช่วช้าเร็วซามเผาพฤติกรรมอันน่ารังเกียจเผาความไม่ดีในจิตใจ ถเพียนตรงถูกตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็ยิ่งเพียนมันก็ยิ่งเผานี่เรียกว่าอาตาปีสติมาก็คืออะไรคือมีสติจิตจะไม่ไหลลงไปสู่อารมณ์ง่ายๆมันจะมีตัวสติมาคอยกั้นคอยกรองคอยดักไม่ให้จิตจมอยู่กับอารมณ์ใดๆมันจึงเกิดสภาวะเพียงแค่รู้สัมปชาโน มีความตื่นตัวรู้ตัวอยู่ทุกขณะจิตวินยะโลเกะปิชาโทมานสังแปลว่าหยุดความรักความชังในโลกเพราะว่าถ้าทำกิตถูกในในใ น, ในรู้กายในกายได้เนี่ยจิตที่มันรู้กายในกายอยู่ได้นั้นมันจะไม่มี ความกระเพื่อมของจิตไปทางรักทางชังทางอาลัยทางดีใจทางเสียใจมันจะหยุดเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นในขณะที่เราอบรมจิตอยู่กับกายในกายในเวทนาเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็ เ, เหมือนกันแสดงคือว่าถ้าเราลึกในส ต, ติปัฏฐานทั้งสี่จะเป็นกองของกุศลที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง น, นี่พระพุทธเจ้าท่านสอนสอนสติปัฏฐานสี่ผ่านทางอะไรผ่านทางลมหายใจลมหายใจพระพุทธเจ้าสอนเป็นสี่บกขั้นเป็นสีจ่จตุ ก, กะคือสีห่หมวดหมวดละสี่ละสี่หมวดหมวดที่หนึ่งหมวดที่หนึ่งสี่ข้อเป็นกายานุ ป, ปัสสนา หมวดที่สองสี่ข้อเป็นเวทนานุปัสนาหมวดที่สามสี่ข้อเป็นจิตตานุปัสนาหมวดที่สี่สี่ข้อเป็นธรรมานุปัสนาซึ่งทั้งสี่ขั้นนี้ทั้งเริ่มต้นเป็นไปและทรงตัวอยู่ด้วยอะไรใช้ลมหายใจที่เรียกว่าอาณาปานสติ เมื่อรู้ลมหายใจอย่างถูกต้องถูกวิธีต่อเนื่องแล้วจะทําให้สติปัฏฐานทั้ง4ี่เป็นยังไงบริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐานทั้ง4ี่บริบูรณ์จะทําให้เกิดโพชฌงโพชฌงบริบูรณ์ก็จะทําให้เกิด ว, วิชาและวีมุตเนี่ยเส้นทางมันก็มีเท่านี้เส้นทางก็มีเทมนั้นกองบงกุฏของกุศลทั้งหมดอยู่ที่อาณาบาลนสติ เรียกว่าเหมือนที่เคยสรุปไปวังว่าลมหายใจอย่างเดียวเป็นยังไ ง, เ, งเออลมหายใจอย่างเดียวได้ทุกอย่างทีนี้เราปรารถนาในชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยความปรารถนาของเรามันเยอะเราก็ปรารถนาไปเรื่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าความปรารถนาของเราไม่เต็มสักทีในใครเต็มแล้ว เต็มเต็มยังตอนเด็กๆด็บอกว่าเออแล้วตอนทำงานใหม่ๆมีมอเตอร์ไซค์สักคันนี่โอยดีใจแล้วพอได้มอเตอร์ไซค์มาเป็นไงมีกระบะสักคันจะมีความสุขมากพอมีกระบะแล้วเป็นไงออมีจอดยากมีรถเก๋งสักคันมจะสะดวกมาก ม, มีรถเก๋งไปสักคันนึงเป็ น, น ไ, ปไงก็ออกยีห้อใหม่มาโอ้ยต้องเปลี่ยนนีกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่นลนะ มันมันมันไม่เคยเต็มนะไม่เคยเต็มในความปรารถนาทั้งหลายที่มันไม่เต็มเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้ของจริงของจริงเราขาดของที่ควรมีควรได้เราขาดเราได้ของที่มันไม่ควรจะมีเราได้แต่ของที่ไม่จริงของจริงที่เราขาดและเราควรมีเราต้องมีในขณะที่เราสวกงาทุกสิ่งทุกอย่างเลย เราไม่เคยได้ของจริงที่เราขาดจริงๆอะไรที่เราขาดจริงๆและเราจะต้องหาให้ได้ในชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนอเ อ, องที่มานั่งกันอยู่เต็มห้องนียขาดไม่ขาดไม่รู้ขาดแหละกำลังหาอยู่แต่ไม่รู้ว่าหาอะไรอยู่ฮะด็วใช่ไหมเราขาดอะไร <S <S อไ่ะ ความไม่ทุกข์โอ้อันนี้เล่นใหญ่เราขาดอะไรจริงๆเราขาดสติกับสมาธิเราขาดสติสมาธิและปัญญานี่คือสิ่งที่เราขาดที่เราหาทุกอย่างตอนเนี้เราหาเพื่อให้เข้าใจว่าเราจะมีความสุขแต่เราได้สิ่งที่เราหาแล้วมันไม่เคยมีความสุขเลยเดี๋ยวมันก็ไปถูกทุกเดี๋ยวมันก็ไปถูกทุก เพราะสิ่งที่เราขาดคือสติสมาธิและปัญญาและเราไม่รู้จะหายัางไงเราโชคดีตายหาแลยเนะ่เกิดมาทานใครทานพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสียสละพระองค์เพื่อที่จะได้สมบัติอันนี้มาเป็นธรรมชาติที่ยังไงที่มันมีอยู่มันมีอยู่แล้ว สติสมาธิและปัญญานั้นเป็นธรรมชาติที่มีอยู่มีอยู่แล้วแต่เราหามันไม่เจอใช้มันไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตชีวิตของเราถูกยอ้อมล้อมด้วยอำนาจของความมืดที่ชื่อว่าอาวิชชาโบหะอุปธิทั้งหมดนี้มันเป็นกำแพงอ้อมล้อมอเลยล้อมเราไว้จนมืดมิด แสงร่องริบดีของแสงสว่างก็ไม่สามารถสอดสายเข้ามาได้เราก็เลยไม่รู้ไงว่าเราขาดอะไรเราไม่รู้เลยว่าเราขาดอะไรในที่สุดแม้เรามาปฏิบัติธรรมบางทีเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเราปฏิบัติธรรมไปเพื่ออะไรแต่มันต้องปฏิบัติแหละ ไม่รู้นะบางคนอะว่าปฏิบัติทำเพื่ออะไรแต่มันก็ต้องปฏิบัติแหละสิ่งที่สิ่งที่มันห้อมล้อมเราอยู่มันรวมลงมาแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรมันก็เป็นเราแล้วมันถูกใช้ในชื่อเรียกพระพุทธเจ้าว่าโบหาสัมบันโนโลโก โ, โลกหมายถึง ร่างกายจิตใจชีวิตหรือรูปนามเนี่ยโลกมีโบหะเป็นเครื่องผูกโลกโบหะธรมบัณฑนโลโกวโลกมีโบหะเป็นเครื่องผูกเรามีโบหะเป็นเครื่องผูกไหมฟังดูมันก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเนาะแต่ว่าลองดูสิพอ ม, มองไปที่ตัวเราเป็นไง ชื่อสกุลฐานะสาภาพที่มันเป็นชื่อไพรวันคงอุดมบ่เรืออุดมโอยชื่อนี้ัยเยียไปหมดัยเยียด้วยอะไรด้วยด้วยเส้นใ ย, ยแห่งการรัดดึงด้วยเส้นใ ย, ยแห่งการยึด ลองดูดิเอาถามไปชื่อด้วยชื่อตัวเองนาสกุลตัวเองไปติดตรงชื่อนามะกุลแล้วก็เส้นใหญ่แห่งการยึดนี่รัดเรืองเต็มใบหมดเลยรถของเราบ้านของเราสามีของเราลูกของเราหลานของเราเงินของเราลูกหนี้ของเราเสื้อผ้าของเรารองเท้าของเราอันนั้นของเราอันนี้ของเราอันนั้นของเรามาที่กาย มือของเราแขนของเราหนังของเราผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราหนังของเรากระดูกของเราอะไรของเราของเราของเราของเรายั่วเยี่ยมไปหมดเลยเข้าไปถึงแค่ชื่อนะเส้นใยข่งการยึดมันดึงไปหมดเลยอำนาจที่มันยึดเนี่ยด้วยอำนาจของโบหะพระเจ้าเลยสรุปว่าโบหะสัมปันธนโลโกโลกคือ ขันห้าหรือชีวิตจิตใจนี้มีโบหะเป็นเครื่องผูกไว้อุปธิพัพพระรูปโอวดิสติพัพพระรูปโอวดิสติแปลว่าพอมันพอมันห้อมล้อมอย่างนี้แล้วหลงอย่างนี้แล้วพัพพระรูปโอวดิสติมันจึงปรากฏเป็นรูปเป็นร่างเป็นชิ้นเป็นอัน เป็นอัตตาเป็นเนือ้อเป็นตัวใช่ไหมแล้วเราก็ยึดมันไว้ได้ทีนี้พอหลงกัไปอย่างนี้แล้วก็ยึดมันไว้หลงกัไปอย่างนี้ก็เรื่อยืึดมันไว้หลงกันไปอย่างนี้แล้วก็ยึดมันไว้มันคล้ายๆเหมือนกับคนทีเ่เห็นต้นกล้วยตรงสวยแล้วก็ตัดเพื่อจะมาทำเป็นเสาบ้าน พอพามาถึงปั๊บจะบากหน้าเสาเอ๋อเปลือกมันนี่วะก็แกะเปลือกออกพอจะบากเอ้าเปลือกยังไม่หมดไว้แกะเปลือกออกจะตัดบากเอ้าแต่ไม่ได้ต้องแกะเปลือกออกแกะไปแกะมาแกะไปแกะมาเจอไหมแก่นไม่เจอแต่เราไม่มีโอกาสได้แกะมันแค่นั้นเองไม่เหมือนกับต้นกล้วยใช่ไหมพอต้นกล้วยออกมาแล้วเราก็ตั้งเสาเลยไม่สนใจว่ามันเป็นเปลือกเป็นอะไรบากหน้าตั้งเสามันตั้งได้ไหม พอไม่ได้เป็นยังไงทุกทุกตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ไปหาต้นหาเสาแล้วหาเสาเสร็จตัดเสาก็หาเสาก็ทุกยังไม่เจอก็ทุกใช่ไหมตัดเสาก็ทุกแบกเสาก็ทุกบากเสาก็ทุกตั้งเป็นโครงเรือนแล้วก็ทุกเสร็จแล้วทุกไม่พอตั้งไม่ได้บ้านไม่ได้เรือนไม่มีอยู่จริงก็ทุกทุกอีกก็แสวงหาใหม่ ใช่ไหมแต่ทุกแต่ละตัวเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกับชีวิตของเราที่เราก็สแสวงกันหามาตลอดเนี่ยความปรารถนาทั้งหมดที่เรามีสุดท้ายก็เหมือนที่พูดในความเชา้ามันจะไปสุดอยู่ที่ทุกแล้วก็ปรุงแตง่งแล้วก็ทุกปรุงแตง่งแล้วก็ทุกแต่เราก็ยังมุ่งนั่นแหละ ย, ยังมุ่งที่จะยึดกับมันต่อไปแสวงหามันต่อไปจะต้องเอาไม่ได้จะต้อง หวังไว้สักวันหนึ่งอ่ะอยู่มาห้าสิบหกิแล้วไอ้สักวันหนึ่งก็ไอ้ฉันได้บาง ก, ก่อนมีคนถูกลอตเตอรี่ที่อเมริกาได้เจ็ดหมื่นล้านโอยทำไมไม่เป็นกูทีว่าเฮะเจ็ดหมื่นล้านน้อยมาไอ้ทีนี้ก็ไอ้คนที่ได้นะก็รัฐ บ, บาลก็ให้เลือกสองวิธี วิธีที่หนึ่งให้รัฐาบาลเก็บแล้วถ้ายอยจ่ายยี่สิบเก้าปีไม่ต้องจ่ายภาษีครึ่งหนึ่ง<ม>หรือเอาไปเลยหกักภาษีสามสิบห้าสสามสามมื่น้าพล้านโอ้โหและเริ่มโอ้โหใช่ไหมหักไปสาม0มื่นห้าพล้านนี่โอ้โห ตกลงแค่พันล้านไม่พออีกเหรอนี่สาหมื่นหน้าพล้านยังไม่พอไมมันก็ต้องมาดูว่าเราอายุเท่าไหร่ yeah, อย่างเงี้ยห2สองสองจะอยู่อีกกี่ปีวะ 61, 000, เอาสามหมื่นหน้าพันล้านออกมาหมดเลยก่อนดีก <laughs> ว <laughs> ่าเอออ <laughs> <laughs> โทษทีมองผิดถ้าถ้าเอา ให้เขาผ่อนจ่ายให้ ร, รัฐบาลทยอยจ่ายนะก็ไม่หักหักก็ไม่ถึงแต่ถ้าเอาเลยหักสามหมื่นห้าพันล้านเอาอะทมเอาแบบไหนเพื่อฮะพอใจเพื่อไปหวงสามสิบห้าล้านที่จะต้องจ่ายให้ร Grandma, หัฐบาลอืพอได้มาคิดว่าจะมีความสุขไหม อ่ะไม่มีความสุขใดๆเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะตราบใดที่เรายังขาดของที่ควรจะต้องมีสิ่งนั้นคืออะไรก็เจ้าชายสิทธัตถะฉลาดไหมโอ้คิดมาได้ยังไงอ่ะว่าสัตว์ที่เกิดจะต้องประเจนอยู่กับความทุกข์ คือทุกเกิดจากความแก่ทุกเกิดจากความเจ็บทุกเกิดจากความตายไอ้แค่คิดแบบนี้นี่ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านอยู่บนกองกองของสิ่งที่มนุษย์กำลังสแสวงหากันทั้งโลกอะ่ะตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตก็ยังคงต้องสแสวงหาสิ่งที่เจ้าชายศิทธัตถะมีอยู่ในขณะนั้นเออแต่เจ้าชายศิท ธ, ธัตถะ คิดขึ้นมาได้ยังไงแค่คิดอย่างนี้นะว่าสัตว์ที่เกิดมาจะต้องถูกความทุกข์เหมือนกับภูเขาสามลูกกลิ้งบทขยี้นั่นคือความทุกข์เกิดจากความแก่ความทุกข์เกิดจากความเจ็บความทุกข์เกิดจากความตายเพราะคนทั่วไปมันเข้าไม่ถึงมันไปติดสมมุติบัญญัติทั้งหมดไปติดชื่อติดโกตรติดตําแหน่งติดฐานะติดติดติดติดอยู่ข้างนอกทั้งหมดมันเข้าไปไม่ถึงความทุกข์จริงๆ แต่เจ้าชจสีดาถากิคิดมาได้แค่คิดแค่นี้นี่เขาถือว่าโอ้โหสุดยอดแล้วนะคิดไม่พอยังใช้ตรร ก, กะเปรียบเทียบว่าเมื่อมันมีความทุกข์ได้ความความไม่ทุกข์มันก็ต้องมีได้ถ้ามันมีความทุกข์ได้ความไม่ทุกข์มันก็ต้องมีได้ถ้าความไม่ทุกข์ไม่มีความทุกข์มันจะมีได้ยังไงมันมีกลางวันมันก็มีกลางคืน ถ้ามันมไม่มีกลางคืนกลางวันมันจะมีได้ยังไงถ้าคิดเปรียบไปเปรียบมาแสดงว่าเมื่อมันมีความทุกข์มันก็จะต้องมีความไม่ทุกข์อยู่ด้วยเราจะหาความไม่ทุกข์นี้จากที่ไหนนี่เป็นโจทย์ทําให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะโจทย์นี้มีกําลังมากด้วยมหากรุณาและมหาเมตตาทําให้เจ้าชายสิทธัตถะสละ สิ่งสมมุติในขณะนั้นออกไปได้เลยสละพระชายาพระชายานี่ถือว่างามมากสละพระอรุรดสละอำนาจพระราชสมบัติโอ้ยสละหมดเลยคือสิ่งที่มนุษย์แสวงหากันในตอนนั้นนะสละหมดสละหมดไม่เหลือเอาการสละของ ของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นชั้นชั้นเห็นไมสละส่วนที่เป็นกรมก็คือกรามมาัสุขที่มนุษย์ประแสวงงากันเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะสละเลยเห็นไหมสละเลยสละตั้งแต่ตั้งแต่เกิดความคิดนี้อะปอกออกไปเลยหลังจากนั้นจึงไปสแสวงหาศึกษาค้นคว้าจนเจอ จนประสบความสำเร็จและสิ่งเหล่านั้นเมื่อเมื่อเปคบเจอแล้วไม่สามารถที่จะไปยัดเยียดให้กะใครคนใดคนหนึ่งได้ทำหน้าที่ได้แค่บอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกบอกพอผู้นั้นเข้าใจแล้วก็ไปทำตามแค่นั้นเองไปทำตามเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ ที่เราขาดอยู่เราไม่ต้องไปแสวงหาแล้วเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าทำไว้เราเสร็จหมดทุกอย่างแนละ้วคิดเราก็ไม่ต้องไปคิดแล้วนะไม่ต้องไปเสียเวลานั่งคิดแล้วถ้าถ้าจะเอาสติสมาธิและปัญญาให้มันเป็นอริยสมบัติให้กับชีวิตอย่างเป็นแก่นสารแล้วเนี่ยไม่ต้องไปคิดแล้ว เพราะพระพุทธเจ้าคิดไปให้เสร็จแล้วเราจะไปหาวิธีหาวิธีเพื่อที่จะมาทำให้สติสมาธิปัญญามันเกิดขึ้นก็ไม่ต้องหานะอย่าบังอาจหานะแต่เราบังอาจหานะเราเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะไม่ต้องไปแล้วเพราะอะไรพระพุทธเจ้าหาให้ยกมาเสิบยกมาเสิบเดล l เวอรี่ถึงที่แล้ว หรือถ้าเราจะไปศึกษาผลของมันหาผลของมันที่ถูกใจของเราก็ไม่ต้องไปหาเลยนะเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าบอกถึงผลมันไว้ครบหมดบริบูรณ์ทั้งเหตุทั้งการปฏิบัติทั้งผลของมันบรบริบูรณ์ที่จะไปหาสัหาสถานที่ศึกษาเพื่อที่จะให้ได้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ไปหาที่ไหนนะที่มันมีสติสมาธิปัญญาไม่ต้องไปหานะเพราะมันมีอยู่อยู่ที่ที่เราตลาเราโมจะไปหาส ำ, สำนักนนสานักนีสานักนนหายเกิดอีกสิบชาติตายไปกระดูกกองท่าภูเขามันก็ไม่เจอนะถ้าเราไม่ไปหาข้างในส่วนวิธี จะไปทำตามวิธีของใครก็ตามถ้าเข้ากันไม่ได้กับของพระพุทธเจ้าไม่สามารถเพราะเส้นทางนี้เป็นช่องเดียวเรียกว่าเอกายามักเป็นทางเดียวไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นเราจะเข้าไปในเส้นทางนี้ได้ไหมไม่ได้เราจะเข้าไปในเส้นทางนี้ไม่ได้เราทำได้เพียงแค่ ปฏิบัติให้มันถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าสอนเท่านั้นแหละเรามีหน้าที่เท่านี้เพราะฉะนั้นความเชื่อในพระพุทธเจ้าจะต้องมีมากพอพราะมันมีความเชื่อที่มากพอแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้จิตของเราน้อมเข้าไปเพื่อที่จะปฏิบัติตามคำสอน เชื่อพระพุทธเจ้านี่เชื่อในความเป็นพระพุทธเจ้านี้อย่างหนึ่งแต่เชื่ออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าตถาคตโพธิสัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าด้วยเราต้องเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่น้อมไม่มีฉันทะพอที่จะนําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจะอ่านพระไตรปิฎกอ่านอ่านอ่านอ่านก็ทําได้แค่ คุยแล้วก็ฟังแล้วก็ข่มคนอื่นเอาพระไตริดกมาเป็นอาวุธประหัตประหารผู้ซึ่งที่ไม่รู้ข่มเขากลว่าเรารู้กว่าพระพุทธเจ้ากำราบการสอนศาสนาสาหรับพระไว้โดยตรงเมื่อก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าจะให้ท่องทุกทุกถึงเดือนให้ประชุมสงฆ์แล้วก็สวดทุกถึงเดือน แทนพระปฏิบุกเมื่อก่อนปฏิบุกยังไม่มีพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ยัดบัญญัติพระธรรม ว, รวินัยของพระยังไม่ได้มีการสวดปฏิโบุกก่อนหน้านั้นสวดอะไรกันก็สวดเรื่องนี้เพื่อตอกย้ําพระทั้งหลายให้สํานึกนักสอนศาสนาทั้งหลายให้สํานึกว่าการสอนศาสนานั้นจะต้องอนุปวะตโดอนุปคขาโตเห็นไหมไม่กล่าวไร้ ไม่ล้างผลาญถ้าเริ่มต้นด้วยการกล่าวร้ายได้ล้างผลาญพระพุทธเจ้าจะมีประดิษฐานพระพุทธศาสนาได้ไหมองค์ุลิมานเป็นนักฆ่าไปเจอหน้าปั๊มเฮ้ยมึงเป็นอย่างนี้ทำไมไงเสร็จใช่ไหมพระพุทธเจ้าเดินเผยแผ่ศาสนามาได้ทุกวันนี้เพราะอะไรไม่กล่าวร้ายไม่ล้างผลาญ อนุปวั ด, ดูอนุปคาตัวไปเปิดดูเรียกว่าพระโอวาทปฏิโบกเมาก่อนนี่สวดกันทุกสิบห้าวันนะยุคพรุทธเจ้านะหลังจากนั้นมาก็สวดกันเป็นสวดมนต์ประจำวัดบางครั้งไม่ถือเป็นสังฆกรรมและพระพุทธเจ้าเผยแผ่ศาสนาในท่ามกลางของใครแบบพวกเราไหมเฮ้ยแบบพวกเราเป้า เพราะอะไรที่ไม่ใช่วะพูดดิทาไมทำไ ม, ำไมริวจึงไม่ใช่ในพูเดลด้วฟังสิหมถึงถ้าเป็นยุคนั้นที่ท่านเผยแพ่ค่ะเป็นยุคที่การนับถืออ่ะมันมันเยอะมากจริงเหรอจริงเห<อ>ร อ, อ <c oughs> ถามว่าพระพุทธเจ้าเผยพร่ศาสนาเนี่ยในท่ามกลางหมู่คน ที่เหมือนพวกเราไหมฮะเหมือนเหมือนแบบไหนฮะเออไอพวกที่จุ่มไปด้วยกิเตัณหานี่แหละใช่ไหมพวกที่มาฟังพวกพวกพเจ้าเปเทศอ่ะพระไปเทศอ่ะสมัยก่อนอ่ะไอคนที่มาฟังอ่ะมันก็เป็นปู้ตุชนคนสามัญเนี่ยขี้เหล้าขี้เมาขี้ยามีครบ ขี่โจรขี่ช่อขี่โกงขี่ขโมยมีครบหมดอ่ะบางคนไปวัดเนี่ยไม่ใช่ไปเพื่อที่จะไปควังเตสควังธรรมนะไปหวังว่าใครเผลอจะได้หยิบของของเขาบ้างซึ่งคนเหล่านี้แต่ละกลุ่มพอ ร, รวมตัวกันเข้าพระพุทธเจ้าทำหน้าที่ยังไงสอนในเส้นทางของสัมมาสติเส้นทางของสัมมาส ม, มาธิและเส้นทางของสัมมาปัญญา สอนในเรื่องของสติสมาธิและปัญญาโดยให้เขาใช้กายและใจของตนเองเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วในที่สุดพอนักพนันขี่เมาขี่โกงมันมีกายมีใจไหม พอมันไปทําตามพระพุทธเจ้าตรงก็ไปตรูกายเป็นกายเยกายานุปัสสีใช่ไหมกายในกายตรงก็ไปอั น, นี้ก็ในที่เป็นขี้เมาอยู่ก็รู้กายในกายไอ้ที่เป็นขี้เหล้าก็รู้ไอ้ที่เป็นนักพนันก็รู้กายในกายที่เป็นนักฆ่าก็รู้กายในกายพอรู้กายในกายเหมือนกันอ้าวมันก็เลยได้ผลที่เหมือนกัน ไม่แยกไม่เกี่ยงว่าเขาจะเป็นอะไรมาพะนั้นการเดินทางของพระพุทธศาสนาเราเดินทางมาแบบนี้จนมาถึงวันนี้นะมาถึงรุ่นของพวกเราเนี่ยมันยังอยู่แบบเดิมหรือเปล่า <c oughs> แบบเดิมไม่เปลี่ย <c oughs> นเพราะนัเราต้องรู้ว่าเราขาดอะไรแท้ที่จริงเราขาดสติสมาธิและ ปัญญาในมหาสารีสักกสูตรพระเจ้าตรัสเลยว่าตัวหลักที่สําคัญที่สุดคืออะไรเอามหาสารีแล้วส ม, สมาธิคือความตั้งมั่นสัมมาสมาธิสําคัญที่สุดเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะ สมาสมาธิหรือว่าความตั้งมั่นนี้จะมีองค์ประกอบเจอย่างองค์ประกอบของความตั้งมั่นเจดอย่างคืออะไรคือสัมมาสติอ้คือสมาธิฏิสัมมาสังกปะสัมมาวจาสัมมากรมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะและสัมมาสติเจดอย่างนี้เป็นองค์ประกอบของสัมมาสมาธิ พระพุทธเจ้าแสดงรายละเอียดให้เห็นยังไงถ้าจิตถ้าความตั้งมั่นเกิดขึ้นมีความตั้งมั่นแล้วนะความตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วมีความเห็นว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกความเห็นนั้นเป็นอะไรสำมาทิฐิมีความตั้งมั่นแล้วเกิดความระลึกลงไปได้ว่าอันนี้ผิด ระลึกก็ไปให้เข้าถึงสิ่งที่ถูกความระลึกนี้เป็นสัมมาสติมีพยายามละในสิ่งที่ผิดเข้าให้ถึงสิ่งที่ถูกความพยายามนั้นก็เป็นเออแต่ความตั้งมั่นที่บอกว่าเป็นสัมมาสมาธินี้มันจะต้องผูกอยู่กับอะไรนะ ความตั้งมั่นจะต้องผูกอยู่กับอะไรจึงจะเป็นสัมมาสมาธิมันจะต้องผูกอยู่กับสติเห็น ไ, ไหมนันกำลังสติกับความตั้งมั่นมันเป็นยังไงใช่ความเมื่อเช้ามันเป็นเรื่องคนละอย่างเดียวกัน มมไอความตังต้งมั่นที่ไม่มีสติมันจะเป็นสัมมาสมาธิได้ไหมความระลึกที่ไม่มีความตังต้งมัน่นเป็นฐานมันจะเป็นสัมมาสติได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงผูกกัดวถทางที่จะทำให้เราเข้าถึงสติสมาธิและปัญญามันจึงมีทางเดียว เข้าทางเดียวอันนี้เรียกว่าเอกายามัจแปล ว, ว่าทางเดียววันนี้แล้วจะได้ทั้งสติสมาธิและปัญญาสิ่งที่เราขาดสิ่งที่เราถวาย ห, หาสิ่งเราไม่เคยพบไมเคยเจอสิ่งที่เรายังรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นแก่นสารในชีวิตเรามันคืออะไรเรายังไม่รู้แต่เราจะเข้าไปหาสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยทางเดียวเรียกว่าเอกายามัจเข้าไปทางกายในกาย เวทนาในเวทนาคือเข้าไปทางรูปทางนามนี่เท่านั้นเข้าไปสู่กายสู่ใจของตนเข้าไปสู่กายใจคนอื่นไม่ได้ต้องเข้าไปสู่กายสู่ใจของตนอย่างถูกวิธีด้วยหลักของมรรควิธีเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะต้องหาว่าเราขาดอะไร พอเราฟังอย่างนี้เสร็จแล้วถ้าเรามีสติดีไหมฮะดีใช่ไหมเออเรามีสมาธิดีไหมดีเรามีปัญญาดีไหมดีเรามีทั้งสติสมาธิและปัญญาดีไหมดีดียอดเลยอเออสติสมาธิและปัญญานี้เราเข้าได้ในช่องทางเดียวผ่านทางลมหายใจจริงๆอะ ในในกายกายในกายพระพุทธเจ้าสอนไว้ในมหาสติปัฏฐานในสติปัฏฐานสี่เนี่ยมีหลายวิธีแต่วิธีแรกที่พระพุทธเจ้าสอนคืออานาปานาสติทำไมจึงสอนอนาปานาสติก่อนอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกแต่วิธีที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่ออนาปานาสติอย่างถูกต้องนั้นเขาแยกธรรมชาติทั้งหมดออกไว้เลย คือเราจะเข้าไปแทรกไม่ได้ถ้าเราไม่รู้จากการปฏิบัติอาณาปานนสติอย่างถูกต้องเราจะต้องเป็นผู้เข้าไปดำเดินการจัดการควบคุมประครับประคองทุกอย่างให้อยู่ในอำนาจของเราซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะยิ่งปฏิบตัติมันยิ่งทำให้อัตราของเรานี่เบ่งบาน เราจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องของอาณาและปฏิบัติอาณาอย่างถูกวิธีให้ถูกต้องเมื่อปฏิบัติอาณาอย่างถูกวิธีถูกต้องมีสติสมาธิและปัญญาเกิดจิตผู้รู้ที่ถูกต้องตัวรู้ซึ่งจะต้องเป็นกิริยาของจิตผู้รู้ที่จะทำหน้าที่ไปแตะรู้กายแตะรู้ใจในแง่ต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการเดินไม่ว่าเรื่องของการ เคลื่อนไหวไม่ว่าเรื่องของการพูดไม่ว่าเรื่องของอิริยาบถใดๆก็ตามตัวรู้ที่จะไปแตะรู้กายแตะรู้ใจนั้นมันจะเป็นการแตะรู้เหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับกิริยารู้ที่ไปแตะต่อลมหายใจแต่ถ้าเราไปเรียนรู้เรื่องการเดินอย่างเดียวไม่รู้เรื่องของอาณาปานสติ กิจของจิตผู้รู้ที่จะทำหน้าที่รู้รู้กายรู้ใจนั้นเป็นไงมีเราเข้าไปเป็นใหญ่หมดเลยโยยาหยยบใครไปรู้หรือเรา <c oughs> เราหมดเลยแต่กิจในอนาปา น, นาสติรู้ลมที่กระทบลมชนิดที่เป็นโผถับพารมกระทบปับ๊บรู้คออยู่ตรงนั้น เราจะมีเท่าไหร่ก็ตามแต่เมื่อตัวรู้แตะต่อลมที่เป็นโผตพารมแล้วเราทั้งหลายหายหมดกิจตรงนี้เนี่ยมันเป็นกิจที่ถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าคิดไม่ออกอย่างนี้เอาอย่างนี้อะไรกันถ้าไปพระเจ้านะไม่มีทางอ่ะที่จะไปคิดออกได้เพราะทั้งเหตุและผลมันเป็นนามธรรมา ท, ทั้งหมดไม่สามารถที่จะมาเปรียบเทียบไม่สามารถที่จะเอาอะไรตกกะใดๆมาวัดได้อ่ะ แต่ไม่ใช่พระพุทเจ้าไม่มีวันเราคิดออกตัวรู้แตะรู้และดูลำดับนะลำดับที่นํบาปปฏิบัติเมื่อเช้าดำรงสติอยู่เฉพาะหน้านี่คือเตรียมจิตผู้รู้แล้วเตรียมจิตผู้รู้แล้วแล้วจิตผู้รู้นี่บริสุทธิ์มากเพราะว่าเขาประกอบไปด้วยอะไรสติกับสติกับอะไรจิตผู้รู้เอาใหม่ยอไว้จิตผู้รู้จิตผู้รู้ประกอบด้วยอะไร สติกับสัมปชัญญะน่ะคือจิตผู้รู้หน้าที่ของสติอยู่ในลักษณะไหนระลึกถูกไหมแต่อย่างตอนนี้ตัวระลึกมันอยู่มั่วไปหมดใช่ไหมมันอยู่มั่วไปหมดเรายกตัวระลึกเข้ามาสู่กายสมมติว่ายกมาที่หน้าผากระลึกระลึกมาแล้วจบหน้าที่ยังระลึกมาปับ๊บจบหน้าที่ใช่ไหม หน้าที่ต่อไปคือรู้รู้คืออะไรรู้ในสิ่งที่ระลึกคือสัมปชัญญะเห็นไหมมันจะรับลูกกันอย่างนี้ระลึกปับ๊บรู้คลออยู่ยงี้เรียกว่าสัมปชัญญะฮันตัวระลึกรู้เรียกว่าจิตผู้รู้ประกอบไปด้วยอย่างอื่นไม่ได้หรอกและจิตผู้รู้ก็เกิดแล้วทำหน้าที่กิริยาของของจิตผู้รู้คือ รู้ด้วยการแตะรู้ต่อสิ่งที่ถูกรู้ดูดิดู ด, ดิความความลับของธรรมชาติที่ถูกค้นพบโดยพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้มันเป็นกฎของธรรมชาติที่มันมีอยู่แต่มันไม่มีเคยมีใครรู้พอพระเจ้ารู้ ม, มาบอกเราก็แค่เข้าไปให้สู่ช่องทางให้ถูกช่องทางนี้ก็คือ พอเกิดทําจิตผู้รู้ขึ้นมาให้จิตผู้รู้ครองตัวอยู่แล้วก็ให้เกิดการรู้รู้ที่เป็นกิริยาแล้วจิตผู้รู้นี่เป็นเป็นนามรู้เป็นกิริยาของจิตผู้รู้ให้ไปแตะต่อสิ่งซึ่งถูกรู้ระลึกตรงไปที่หน้าผากทาหน้าที่นี้เป็นสติใช่ไหมสติ แล้วรู้ในสิ่งที่ระลึกคือระลึกไปที่หน้าผากแล้วตัวรู้ก็รู้คลอยอยู่อย่างนี้น่าเป็นสัมปชัญญะนี่คือจิตผู้รู้พอก็เกิดขึ้นแล้วน้อมจิตผู้รู้มาไว้ที่ไหนมาไวาท้ที่นิมิตนิมิตรู้จักแล้วยังเออมาที่นี่ต้องรู้จักนิมิตนิมิตหมายความว่าไม่ใช่วอ่อวังอยู่ข้างในไม่ใช่นิมิตในที่นี้หมายถึงที่ตั้งของจิตรู้สาหรับ รู้ลมหายใจนิมิตอยู่ที่ไหนอ่ะเราว่าเองก็ไม่ได้ต้องอ้างตำราใช่ไหมพระสารีบุตรบอกว่านาสิกะเความุขะนิมิตเตวานิมิตจะมีอยู่สองที่เนี่ยใกล้ๆใกล้เคียงกันนาสิกะเควาคือที่ปลายจมกูกมุขะนิมิตเตวาหรือเหนือริมฝีบากบน มันอยู่บริเวณใกล้เคียงกันใช่ไหมก็อยู่ที่ลักษณะทางกายภาพของแต่ละคนว่าจมูกของแต่ละคนเป็นยังไงถ้าจมูกแบบฝรั่งก็อาจจะเหนือริมผีปากบนถ้าจมูกแบบพวกเราแต่พวกเราก็ไปยัดอะไรก็ไปก็ไม่รู้กลายเป็น <laughs> ตอนนี้มันก็ <laughs> รูรูจมูกแต่นี่มันจะเป็นธรรมชาติหน่อยมันก็งื้อขึ้นมาก็อาจจะไปเจอแบบฝรั่งก็ได้แต่ไม่รู้แหละแต่สองที่เนี้ย ไปที่อื่นไม่ได้ที่ที่เขาจะเป็นนิมิตคือที่ที่จะต้องมีลมหายใจผ่านเข้าผ่านออกและที่ตรงนั้นจะต้องมีกายประสาทจะต้องมีกายประสาทคือสามารถรับรู้ในสิ่งที่กระทบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลมที่กระทบลมกระทบตรงไหนที่เรารู้สึกได้ตรงนั้นก็จะเป็น ส่วนนิมิตที่เราจะต้องน้มจิตผู้รู้มาคอยเฝ้าไว้ยากไหมยากไหมฟังแล้วไม่ยากทำํำเรา ก, ก็น้มจิตผู้รู้เข้ามาเฝ้าบริเวณนิมิตไม่ใช่เรื่องเล่นๆฟังเรื่องแบบนี้ฟังสักหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งยิ่งดีเพราะอะไรเราต้องให้มันเกิดเป็นสภาวะมารองรับ กับการที coming, come, the komme, the ่เราจะต้องรู้ว่านิมิตเป็นแบบไหนโพตาภารมเป็นแบบไหนพอมันคุ้นทีนี้มันเข้าสู่ลมที่เป็นโพตาภารมเนีพอปฏิบัติปั๊บปุ๊บเลยมันคุ้นมันคุณเหมือนเราไปที่ไหนประจําประจําเช้าไปเที่ยงไปใหญ่ไปเย็นไปเช้าไปเที่ยงไปบ่ายไปเย็นไปเช้าไปเที่ยงไปบ่ายไปเย็นไปคุณไหมมันไม่ใช่คุณแต่เฉพาะที่จะไปใช่ไหมทางที่ไปมันก็ คุณด้วยของข้างทางมันก็คุณด้วยร้านรวงข้างๆนั่นก็สนิทสนมไปหมดอ่ะเออพอถึงเวลาแล้วมันต้องไปไม่ไปได้ไห ม, ไมก็เหมือนพวกที่บาทางานเลิกงานปั๊บกดสีาคนนัดกันไปกินร้านนี้พอวันต่อมาอีกใช่ไหม <c oughs> เลิกกันก็ออกไปตั้งโต๊ะแช่ อ, อันนี้ <c oughs> เลิกกันโซเดนเลิกไปร้านนี้เลิอกอนนี้มันติดร้านหรือมันติดอะไร อ่ะ ก, ก็เรียกปิดโลเคชันไม่รู้แหละถึงเวลามันต้องต้องไปเหมือนกันเหมือนกันเลยกับการโน้มจิตผู้รู้เข้ามาสู่นิมิตและทำกิริยารู้ให้เขาทำหน้าที่รู้ลมที่เป็นโพัพภารมให้ได้แล้วก็รู้ต่อเนื่องไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อยรื่อยรืยมันก็จะคุ้นกับลมที่เป็นโพัพภารม ช่องทางและก็เส้นทางแล้วตรงนี้แน่นอนเลยถ้าเดินอย่างถูกวิธีแบบนี้เข้าไปแบบนี้ทุกครั้งที่เรามีการรู้ลมชนิดที่เป็นโธพธิภารมณ์ได้อย่างตรงไปตรงมามันก็จะเกิดตะกอนของอะไรความตั้งมัน่นเห็นไหมเห็นไหมความตั้งมั่นก็มาแล้วอ๋อก็มาแล้วก่อนตะกอนของความตั้งมัน่นพอมีความตั้งมัน่น มีสติมีความตั้งมั่นอย่างนี้สภาวะทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นความตั้งมั่นจะทำให้อะไรสติมันจะทำหน้าที่กั้นจิตไม่ให้กลับเพิ่มไปที่ดื่นมีอะไรเกิดขึ้นมีมีการกระทบเกิดขึ้นจิตแทนที่จะไหลออกไปสวยอารมณ์นั้นนั้นมันไปไม่ได้เพราะสติกั้นไว้ พอสติกันไว้ตัวตั้งมั่นคือตัวสมาธิที่มันมีอยู่ตามความต่อเนื่องจากการเพียรรู้เนี่ยความตั้งมั่นท่านั้นก็จะทําให้เห็นสิ่งที่ปรากฏเรียกว่าเห็นสภาวะถูกไหมสติกับสมาธิเนี่ยจะช่วยให้เห็นสภาวะสภาวะที่สติกับสมาธิเขาเห็นนั้นมันจะเห็นอย่างไรเห็นตามความเป็นจริงพอเขาเห็นตามความเป็นจริงความเป็นจริงหนึ่งความเป็นจริงที่มันปรากฏ เห็นจริงไหมเห็นจริงไหมจริงจริงจริงหมดเลยได้ยินจริงไหมจริงหมดเลยเพราะว่ามันเป็นตามสิ่งที่ปรากฏแต่สติกับสมาธิที่มีกำลังเห็นตามความเป็นจริงที่ปรากฏความเป็นไปของสิ่งที่ปรากฏนั้นก็จะเป็นจริงด้วยอาเป็นจริงยังไงเป็นจริงโดยที่ไม่มีเราเข้าไปแทรกแซงเสียงรูปกลิ่นรสที่มันปรากฏตามความเป็นจริง แล้วตั้งอยู่ไปปวนตามความเป็นจริงแล้วดับสลายไปตามความเป็นจริงการรู้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งที่ปรากฏอย่างนี้เกิดขึ้นมาเป็นอะไรเป็นเป็นปัญญาเนเป็นปัญญาเนี่ยอันสติสมาธิและปัญญามันจึงเป็นทางของช่องทางของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าค้นพบว่ามันจะเกิดขึ้นตามเป็นจริงอย่างนี้ ดิ้นไปเอาแบบอื่นไม่ได้เข้าใจไหมอย่อาสีสัพไปดิ้นไปแบบอื่นไม่ได้หรอกดิ้นไปแบบไหนก็ช่างสุดท้ายก็จะต้องมาเข้าสู่วิธีนี้ถ้าจะให้มักคะสมังคีต้องเข้าสู่วิธีนี้ดิ้นไปยังไงยังไงสุดท้ายต้องมาวิธีนี้ต้องวยายาวิธีที่ให้จิตผู้รู้เขาไปแตะรู้สิ่งที่เป็นกายเป็นใจ ทำหน้าที่แยกกันชัดเจนและพอทําหน้าที่ได้อย่างนี้แล้วต่อไปเวลาเดินอส้นเท้ายกขึ้นรู้ใช่ไหมแต่รู้ใช่ไหมใครยกอ่ะตัวรู้จะสนใจไหมว่าใครยกมันไม่สนใจแล้วเพราะมันมีประสบการณ์จากการฝึกมาจากการรู้เรื่องของลมชนิดที่เป็นโผถับพารลมจนสติและสมาธิ เขามีกำลังในระดับหนึ่งแล้วต่อไปพารู้เดินพายกทั้งๆ ท, ที่เราเป็นคนกำหนดยกใช่ไหมแต่ตัวผู้รู้เขาไม่สนใจหรอกว่าใครจะมาจากไหนจะมายกส้นเท้าที่เขาไม่สนใจเขาสนใจแค่กิริยารู้ที่จะไปแตะต่อส้อนเท้าที่มันยกขึ้นมันก็รู้เห็นแค่รู้ตรงไปย่างไปเรายกใช่ไหมเราย่างใช่ไมเรากาหนดใช่ไหมแต่ตัวผู้รู้ก็สนใจไหมเขาไม่สนใจเพราะไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องเพราะตัวตัวรู้เขาโตมาจากกิจที่ถูกต้องของเขาเพราะพอย่างไปปั๊บเขาก็แค่รู้ว่าเท้าเนี้ยมันย่างไปเหยียบใครมป็นคนเหยียบเรากำหนดเหยียบใช่ไหมแต่ตัวผู้รู้ก็สนใจไหมก็ไม่สนใจเราเรียกว่าเราเข้าไปไม่ได้แม้ว่าเราเป็นคนกำหนดและทำแต่เราจะเข้าไปไม่ได้ ไม่ใช่เราอยากเข้าไปหรือไม่อยากเข้าไปแต่เราเข้าไปไม่ได้ถ้าเราเข้าไปเมื่อใดตัวรู้ที่จะไปแตะอยู่นั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้เข้าใจตรงนี้ไหมเข้าใจว่าเออนี่เรียกว่าช่องทางเดียวที่มันสามารถจะฝึกฝนและก็สั่งสมอริยสมบัติที่ว่าที่เรามีความปรารถนาทเอเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่สุดท้ายเราไม่เคยได้ความสุขเลยเพราะเราขาดอันเนี้ย ขาดอะไรขาดสติสมาธิและปัญญามีคำถามไหมไม่กล้าถามเหรอฮะเขียนดิเขียนเขียนเขียนขวากเขาไว้ถ้าไม่มีคำถามเออีค่คนอาสาพาตายมาแล้วที่เมื่อกี้พายจาร์พูดว่าตัวสติเขาจะหล้แต่ว่า รู้ว่าเขาก้าวเขา ย, าย่างอย่างเงี้ยหนูคิดตามว่าถ้าสมมติว่าเราเราเหมือนกับเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนี้นะเหมือนมีเรื่องมากระทบรโมเดแต่รอตัวสติมันไม่ทันใช่ไหมไม่ค่ะแต่ว่า <laughs> ถ้าสมมุติว่าเราไม่แน่ใจว่าเรามีความเจริญในสติมากขึ้นหรือยอย่างแต่ในเรื่องเดียวกันในบริบทเดียวกันใช่แต่ก่อนที่เราเคยกินเอาตัวเองเข้าไปอืมต้องอยู่ในนั้นแล้วพอวันเวลาผ่านไปเรามาปฏิบัติธรรมขึ้นหนูจะไร้ หนูกลังจะถามอาจารย์ว่าคะอาจารย์ว่าเรามีความเจริญส ต, ติขึ้นบ้างด้วยการที่จะเออเรามองมันเป็ความเปิบหรือเปล่าอืมอืมเข้าใจเข้าใจความรู้สึกเออเรามองว่าอันนี้มัเป็นเหตุและผลไงเพราะว่าเราเรกคิดเอาไงลราเราคิดออกสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นมาตามความเพียรของเรารู้จักมวยไหมฮะเออมวยเขาบอกว่า เช้าขึ้นมาต้องวิ่งวิ่งเสร็จแล้วเล่นกระโดดเชือกใช่ไหมกระโดดเชือกเสร็จแล้วเตะกระสอบเตะกระสอบเสร็จแล้วล่อเป้าล่อเป้าเสร็จแล้วปล้ำตีเข่าปล้ำตีเข่าเสร็จแล้วก็ลงนวมกลับไปเช้าขึ้นมาวิ่งวิ่งเสร็จกระโดดเชือกกระโดดเชือกเสร็จแล้วก็เตะกระสอบเตะกระสอบแล้วก็ล่อเป้าล่อเป้าแล้วก็ปล้าตีเข่าปล้ำเข่าเสร็จแล้วลงนวม เช้าขึ้นมาอีกวันหนึ่งเช้าขึ้นมาก็วิ่งวิ่งเสร็จกระโดเะโดเชือกกระโดดเชือกเสร็จก็เตะกระสอบเตะกระสอบล่อเป้าล่อเป้ า, ปาก็ปล้ำตีเขา่าปล้ำตีเขา่าเสร็จโล่งนมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอยากขี้เกียจทำไปเรื่อยๆๆๆวันหนึ่งมันเดินไปเพื่อนชอกมามันเป็นไงหลบแบบไม่รู้เนืรู้ตัวเขาเตะมามันยกเขาบังไม่รู้เนื้อรู้ตัวถูกป่ะเออเขาชกท้ายมามันหลบปิดลุกรับ มันเกิดวิชามวยขึ้นมาโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เจ้าตัวรู้ปะไม่รู้แค่เพียรทมกิจให้มันถูกต้องวิชามวยเกิดขึ้นชันใดเข้าใจยังเไม่ต้องฉันนั้นเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องฉันนั้นแลวนะเออทำกิจที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยให้ถูกกำลังของสติสมาธิและปัญญาก็จะเกิดขึ้นที่ที่จะมาพูดไป ล, ล้าล่วงหน้าไปเนี่ย เพื่อให้เห็นช่องทางของผลมันว่าเป็นยังไงแต่จริงๆหน้าที่ของเราคือเพียนทากิจให้ถูกต้องตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วมันก็จะเกิดผลเห็นไหมพอถามแนละ้วมันก็จะมีอะไรมัง่งมีใครถามอีกไหมไหมไม่กล้าถามเลยเ <laughs> อ้าเรียบร้อยนะทีนี้ไม่ง่วงไงนะ ง่วงไหมต้องกล้านะต้องกล้าทำจิตผู้รู้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะต้องต้องเสริมเข้าไปด้วยกำลังของฉันทะฉันทะสำคัญมากนะเสริมฉันทะเข้าไปว่าเราจะต้องรู้ อ, อ๋ออีกอย่างหนึง่งเพราะว่าจะพูดแม่เยอะแล้วเดี๋ยวจะปฏิบัติยาวเลยนั่งกันด้ขาหักกันไปข้างหนึ่งเลยนะเพราะนานๆในเต็มห้องเลยเนี่ย อนุญาตได้แต่เด็กน้อยเมื่อก็ลุกขึ้นเดินได้ลุ ก, กเดินไปข้างนอกเลสงสารเด็กเมื่อเช้าบอกว่าอะไรเกิดอะไรดับอะไรดับอะไรเกิดอะไรเกิดแล้วอะไรดับเอาอะไรเกิด แค่เม uh ื่อเช้าอีกนะเนี่ยอะไรเกิดเออคือคือเอาเสักอย่างหนึ่งโบดกันเอานี่บอลเกิดหรือนี่บอลดับเอานี่บอลเกิดก่อนใช่ไหมเอานี่บอลเกิดอะไรดับอะเออเอาไว้สักอย่างหนึ่งนะนี่บอลเกิดอะไรดับอินซีดับ เอาอินซีย์เกิดอเออลงเป็นมติแล้วใช่ไหมอะไรเกิดอะไรเกิดเอาเอาโม่สววอมเสียงแล้วอะไรเกิดเอาอินทรีหรือนี่บอเอาไปสักอย่างหนึ่งเอาอะไรเกิดอินรีย์เกิดอะไรดับอะไรดับ อะไรเกิ ด, อ, กดอะไรเกิดเธอไม่เอาห น, น, <laughs> นีวอนมะอ่ะนีวอนเกิดอินรีดับนีวรนดับ <S <S อินรีเกิดอินซีเกิดนีวอนดับนี่แหละจำให้แม่นเถ อ, อินรีมีกี่อย่างาหนึ่งสอง ส, สามส สี่ฮะสติสมาธิด้วยเหรออ่แล้วก็สัตตินสีวิริยินสีสัตตินสีสมาตินีและปัญญินสีคือปัญสธาวิทยะสติสมาธิและปัญญาห้าอย่างนี้เกิดรับรองได้เลย กามฉันทะพระยาบาทถีนมิทธะอุทจักุกุจจะและวิจิกิจจาเป็นยังไงดับศรัทธาเกิดในลักษณะใดที่ตั้งที่ใจของเราแล้วเรียกว่าเป็นอินทรีย์ก็คือมีลักษณะเป็นไงไม่หวั่นไหวเชื่อใคร เพื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอริยสงฆ์เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่างแน่วแน่ไม่หวั่นไหวไม่ใช่มาถึงนั่งสมาธิรู้โลหมหายใจลงออกจากนี้ออกไปไปไหว้ต้นโูไปไหว้ต้ น, ไไตนยอมปลวก ไปไหว้เท้าเวทสุวรรณไปไหว้เท้านนท์เท้านี่โอ้ยวุ่นไปหมดหวัดไหวไหมไ <ป S 1> สัทธาตัวนั้นเป็นอินทรีหรือเปล่าพอสัธทธาไม่เป็นอินทรีอย่าหวังเลยว่าจะสู้กับนิวรณ์ได้ไ<ป>เพราะอะไรเพราะสัทธาอินทรีไ อ, อ้สัทธาดับเอออย่าเฮ้ยสัทธาดับอย่าอินทรีเกิด น, นะจ๊ะ <laughs> สัตว์อินทรีดับมนิวานเกิดอินทรีดับนิวานเกิดทันทีเลยแหละเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าสมมุติว่าเป็นอัตมาเนี่ยง่วงไหมง่วงมันเป็นธรรมชาติมากอะแต่เราไม่หลับไงเพราะอะไรเพราะ พอมันง่วงปั๊มันรู้ว่าง่วงไงมันรู้ว่าง่วงแล้วมันไม่ต้องไปกําชับลงมาว่ามึงหลับไม่ได้เว้ยอายคนไม่ต้องไม่ต้องไปกําชับอย่างนั้นรู้ว่าง่วงก็รู้ว่าง่วงแล้วไงไอตัวรู้มันแยกออกมามันจะไม่จมไปกับความง่วงใช่ไหมันรู้ตัวนี้แล้วมันแยกออกมาคือถ้าว่ามันไม่แยกออกมามันไม่รู้มันรู้ไม่ได้ ถ้ามันรู้ได้เมื่อใดง่วงมาแล้วง่วงมาแล้วมันก็แค่รู้ว่าง่วงอ่ะแต่มันไม่ยอมอยู่ในอำนาจของความง่วงมันกล้าพอดังนั้นเราฝึกอยู่บ่อยๆบ่อยๆๆเดี๋ยวมันก็ชินไม่ต้องไปกำชับเฮ้ยอย่าอย่าอยาย่ากุนั่งโตรุงก็เป็นพระอาจารย์ไม่นั่งง่วงงูกุ๊กยุกยิกอยู่อายเขาไม่ต้องไปกำชับถ้ายังกำชับอยู่แสดงว่าแสดงว่าอะไร มีวอเกิดมันนั่งอยู่เนี่ยพอผ่านไปยี่สิบนาทีเมื่อยเจ็บปวดได้ชมเรืองดวนมีใครรู้มัง้งพะไม่มีใครหันมามองก็เปลี่ยนช้าๆอย่างนี้อะไรเกิดมีวอลเกิดอะไรดับเพราะมันเกิดความวั่นวายทางศรัทธา เอาความเพียรเป็นอินทรีย์ยังไงความเพียรจะเป็นอินทรีย์ได้จริ ง, รงๆเขาจะเป็นความเพียรอย่างมีฉันทะไม่ใช่แข็งใจทำไม่ใช่แข็งใจทำไม่ใช่อดใจทำไม่ใช่อดทนทาไม่ใช่กลัวและต้องทาไม่ใช่แต่มันมีฉันทะเข้าไปในความเพียรมันมีใจที่น้อมเข้าไปสู่ความเพียรแบบแบบ แบบสมูทมากทุ่มชื่นแล้วก็นุ่มนวลเข้มข้นมีชตะเข้าไปในความเพียรนั้นก็จะเป็นอินทรีย์ขึ้นมาอินทรีย์ไปบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยมันก็จะเป็นกาลังของใจใช่ไหมศรัทธาพอมันไม่หวั่นไหวมันก็จะเป็นกำลังของใ จ, ใ เ, จ, เ, ปงงใจเป็นใจที่มีศรัทธาเป็นกำลังเป็นใจที่มีความเพียรเป็นกำลัง เป็นใจที่มีสติเป็นกํำลังเป็นใจที่มีสมาธิเป็นกําลังเป็นใจที่มีกาปัญญาเป็นกําลังใจที่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นกําลังและเป็นใหญ่แล้วรับรองใจนั้นนิวรนเป็นไงไม่ได้แอมไม่ได้แอมแน่และที่สําคัญมันจะทําให้อะไรให้อะไรให้บริสุทธิ์ เลยลองตอบสิอะไรนะสีลห้าจะบริสุทธิ์สี่ห้าจะบริสุทธิ์เลยโดยธรรมชาติเมื่อเมื่อเมื่ออินทรีย์ทั้งห้านี้มีกําลังศี่ห้าจะบริสุทธิ์โดยธรรมชาติเพราะว่าความเลื่อมใสความเชื่อมั่นในพระรัตนาตรัยมันจะทําให้องค์ของความเพียร มีฉันทะและมีอะไรเกิดขึ้นมาควบคู่กับศรัทธาและวิทยะตัวนี้ก็คือสติใช่ไหมแล้วมันก็จะมีฮิริโอต ป, ปะเกิดขึ้นมาเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดนะตรงนี้ไปตรวจสอบตามคำพีในสติสูตรได้ในสติสูตรพระพุทธเจ้าสัตวา่าสติสัมปัญเยพิกเว อสติเมื่อสติสัมปชัญญะไม่มีเห็นไหมเมื่อ ส, ต, ส, สติสัมปชัญญะไม่มีสติสัมปชัญญะวิปันสะหตูปณีสั่งหิโรตปังฮิริโอตะปะของผู้ซึ่งมีสติสัมปชัญญะวิบัตินั้นถูกกำจัดหัตูปณีสั่งแปลว่าถูกกำจัด ฮิริโอตาปะของผู้ซึ่งมีสติสัมปญัญญาเป็นภาษาเอาตามบาลีนะเพื่อมันจะพูดเอาไทยเป็นไทยก็ง่ายๆกว่านี้คือว่าคนที่ไม่มีสติสัมปญัญญาจะไม่มีฮิริโอตาปะว่างั้นว่างั้นแต่ว่าเวลาพระพุทธเจ้าสอนนี่พระพุทธเจ้าจะสอนแบบละเอียดท่านบอกว่าฮิริโอตาปะของผู้ซึ่งมีสติสัมปชัญญะวิบัติถูกกําจัดอะไรถูกกาจัด ฮิริโอต ป, ปะจะถูกกาจัดเออแล้วก็ว่าไปเรื่อยฮิริโอต ป, ปะของผู้นนไม่มีสัญญาณถูกกำจัดใช่มต่อไ ป, ฮ, อ ป, ป ฮ, ฮ, ฮิริโอต ป, ปะฮิริฮิโรตเปะอัตติเมื่อฮิริโอต ป, ปะไม่มีอินทรีย์สร้างฮิโรต ป, ปะวิป น, นัสสะ หตูปานิโซอินสียาสังวโรอินสียาสังวรของผู้ซึ่งมีฮิริโอตปะวิบัติถูกกําจัดอ่อินสียสังอินสียสังวระวิปันนัสสะหตูปานิสังซีลังศรษของผู้ที่มีอินสียสังวรวิบัติถูกกําจัด มันก็จะไล่ไปอย่างนี้หมายความว่าอะไรล่ะหมายความว่าแค่เรามีสติสัมปชัญญะขึ้นมามันจะทำให้ศีลศีลบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะมันเกิดฮิริโอตปะเหมือนกันเลยเมื่ออินทรีห้าเกิดนิวรดับนั้นหมายความว่าอะไรฮิริโอตปะเกิดด้วย ฮิริโอตปะเกิดมันจึงทำให้ศีลบริสุทธิ์ความระวังการละเบิดชีวิตจะเกิดขึ้นแบบออโตเมติกใช่ไหมมันเป็นอัตโนมัติของจิตแล้วเพราะมันมีความสมบูรณ์ทางอินทรีย์สีหน้านี้จะบริสุทธิ์เลยจิตที่จะไปละเบิดต่อชีวิตมีไหมถ้ามันจะเกิดขึ้นมาฮิริโอตปะคุมอยู่คุมอยู่ จิตที่จะไปลับเบอต่อซับมีไหมเพราะถ้ามันเกิดขึ้นมามันจะมีเคยเล่าไว้ฟังเรื่องนางคุทชุตราไม่ต้องเล่าอีกราวองไปอ่านเอาเองเพราะนางคุทชุตราทุจริตเงินของพระนางของพระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนพระจักรพวันละ8แดกังหาปณะนะเพื่อให้ไปซื้อดอกไม้มาถวายพระนางสามาวดีจัดในตำหนักแต่นางคุตชุตรา โกงทุกวันเลยห้าสบห้าคือซื้อดอกไม้แค่สี่กระหับปนะเหลืออีกสีกระหับปนะเก็บไว้บนตึกของพระนางสามาวดีไม่มีใครรู้เพราะพระเจ้าอุเทนพระราชทานให้คับพระนางคุชุตราไปซื้อดอกไม้แปดกระหาบปนะแต่แค่ซื้อมาสี่กรหาบปนะวันหนึ่งมีโอกาสได้รับความกรุณาจากนายมาลาการเจ้าของร้านดอกไม้นี่มือนพระพุทธเจ้าไปเลี้ยงเพลนให้นางคุชชุตราเนี่ย ไปช่วยจัดหน่อยนางคุชชุตราตอนนั้นน่ะเธอก็เป็นผู้หญิงแบบจะเรียกว่าซูปเปอร์คิรหน่อย <c oughs> หลังโกมตาโปนผิวดำครุกระคือดูผิวแล้วก็ค่อ น, น, นข้างจะไม่ถึงขั้นจะควรจะเรียกว่าอัปลักหญิงข้อมเปรี้ย ข่อมเปี้ยเตี้ ย, ยดำอะไรเงี้ยเธอเป็นคนลักษณะแบบนี้ที น, นี้ใครใครก็อยากจะใช้ใช้ง่ายก็นายมาลการก็ใช้นางนางคุณชุติรานี่แหละให้ช่วยกันจัดเตรียมข้าวของเพื่อที่จะถวายพระพุทธเจ้าวันนี้มลพระเจ้ามาเลี้ยงเพลิพอเลงเสร็จพระพุทธเจ้านายมาลาการบอกอย่พเพิ่งไปควางเทศกันก่อนพระเจ้าก็เทศ เทศเสร็จแล้วเธอได้ฟังเทศในวันนั้นจิตเธอปลดเรื่องภาระออกแล้วก็เข้าถึงธรรมมีสติมีความสงวนเธอไม่รู้ตัวได้ซ้ําพอถึงเวลาจะไปซื้อดอกไม้จิตที่มันจะละเบอร์ต่อรัพย์มันหายไปแล้วด้วยอํานาจของยีรีสติและยีรีใช่ไหมเธอก็ซื้อดอกไม้ไปแปดกระหาพนะเข้าไปในตําหนักตกใจกันใหญ่เลยโอ้ย ท, ทุกวันทุกวันทําไมดอกไม้มันวันนี้ทำไมไมันดอกไม้มันเยอะจังก็รลดราคาหรือเพราแถมมาหรื อ, อยังไง ก็ถามเธออย่างนี้เธอตอบอยังไง ร, รู้ป่ะเพราะโทษในการทุจริตเงินเ<ม>็าเรียกว่าเมี้ยชั่ราชบางหลวงอ่ะบางเงินหลวงเนี่ยคอขาเลยนะจี่นี่เท่าไหนั้นไม่ใช่ขาดคนเดียวนะขาดทั้งยวงเลยนะดีไม่ดีถ้โกรธหนักนกัเจ็ดชั่วโคตรเลยนะนางสามาวดีถามเธอตอบว่าไงอ๋อวันก่อนก่อนออมอมฉันโกงไปสีกหาพนะ วันนี้ซื้อมาทั้งแปดกรหาพณะนะคือบอกแบบบอกสบายๆอะ่ะจนนางสามาวดีไม่รู้สึกว่าเธอผิดอะไรนางสามาวดีกลับตกใจว่าอะไรเป็นต้นเหตุทำให้นางคุณิุตราเนี่ยกล้าที่อมรับความผิดเลิกจากการทำผิดแล้วมาปรับพฤติตนี้ถูกเนี่ยอะไรเป็นต้นเหตุนางสามาวดีถามถธอก็บอกว่ามาจาก การควางเทศจากพระพุทธเจ้าแล้วมาเกิดความรู้ถึงอย่างนี้ทำให้นางสาววารีหันมานับถือพระเจ้าอย่างแต่นี่เล่าไว้ให้ฟังว่าเมื่ออินทรีห้าเกิดนิวรห้าดับและมันทำให้ถ้าอินทรีห้าแข็งแรงแล้วเนี่ยมันจะทำให้ศีลบริสุทธิ์โดยธรรมชาติศีลบริสุทธิ์โดยธรรมชาติ ไม่ต้องไประมัดระวังอะไรแล้วและอะไรที่มันไม่ดีมันจะรู้สึกโดยธรรมชาติเลยมันรีบเคียเคียเคียร์เคียเคียออกเหมือนหญิงสาวที่รักสวยรักงามรู้จักไหมหญิงสาวที่รักสวยรักงามรู้จักไหมไอ้นี่ไม่ใช่เรปตาพูดนะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ในพระสูตรเลยหญิงสาวที่รักสวยรักงามเช้าขึ้นมาเธอจะส่องกระจกเพื่อหาอะไร เพื่อที่จะดูฝ่ฟ้าสิวเสี้ยนตามใบหน้าบนทินตาถ้าเธอเห็นดำๆดังๆกากๆขึ้นมานะหญิงสาวที่รักสวยรักงามจะทํำยังไงจิตเธอจะมุ่งในการที่จะกําจัดมันออกไปกําจัดมันออกไปเสียเงินเท่าไหร่ก็ช่างต้องเอามันออกไปเหมือนเลยฉันใดก็ฉันนั้นเข้าใจไหม มันจะทำให้อากูสนตัวอื่นๆที่มันเกิดอยู่บ่อยๆโดยที่เรารู้เท่าไม่ทันเนี่ยค่อยๆค่อยๆไปด้วยอำนาจของฮีรีเพราะฉะนั้นคนแบบนี้เมื่ออินรี่ห้าพัฒนาขึ้นมาอย่างนี้นี่วนดับไปแบบนี้ศีลบริสุทธิ์แบบนี้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเป็นไงอะอย่าว่าแต่ความอากูสนที่เกิดทางกายทางวาจาเลยแม้แต่ความคิด จิรังวายะดีวาติดทั้งนิสินโดอุดดาวาสยังโยวิตกังวิตัเกติปาเปกังเกหะนิสิตัง อ, อะไรกะกุมมักคังปฏิปันโดโซโบหะโดยเยซูมุติโตอัพพโพตาดิโซพิกุพุทุงสัมโพธิมุตตมังแม่จำแม่นจริง แปลว่าแปลว่าความคิดอันเป็นบาปอันเป็นบาปอากุศลเกิดขึ้นเราจะเดินก็ตามยืนก็ตามนั่งหรือนอนก็ตามความคิดอันเป็นบาปเป็นอกุศลอันอาศัยกายนี้เกิดขึ้น คุมมักขังปฏิปันโนสโุโบหะเนยเยซูมูชิโตคุมมักขังปฏิปันโนสโุนั่นคือการอ่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดพลาดโบหะเนยเยซูมูชิโตเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วครอบควาจิตโมหะเนยเยซูมูชิโตคือว่าจะทําให้จิตนี้หมกมุ่นชุ่มแช่อยู่ในอารมณ์อัน เป็นใต้อยู่ใต้อำนาจของโบหะทุกๆความคิดที่เป็นความคิดชั่วความคิดไม่ดีความคิดอันเป็นบาปเมื่อเขาเกิดขึ้นสำเร็จกิจในความคิดนั้นแล้วมันจะโมหะเนยเยสุมุชิตโจน่ากลัวมากโมหะเนยเมุชิตโหมายควา ม, มา oh วามมา่าทำให้จิตนั้นตกอยู่ในภายใต้ของอารมณ์อันเป็นอำนาจของโบหะไม่กวามมา่าอะไร หมายความว่าเรายิ่งคิดไม่ดีมากเท่าใดโบหะ า, ย, ายิ่งมีอำนาจยิ่งมีอานาจอระโพตาดิโซภิกขุผุดทุ่งสัมโพธิมุตตมังบุคคลผู้เช่นนั้นเป็นผู้ที่ไม่สมควรในการดําเดินอยู่ในเส้นทางที่ชื่อว่าสัมโพธิมุตมน่ากลัวมากแต่ว่าเมื่ออินทรีห้าเกิดนิโวนห้าดับใช่ไหมศีลบริสุทธิ์โดยธรรมชาติ ผู้นี้จะเข้าไปจนถึงความคิดของเข า, จ, าจีรังวายาดิวาติทั้งนิสุนโดอุตวาสยังยวิตักกังสมายิตตะวานะวิตกูปสเบระโตว่าผู้นั้นเดินก็ตามยืนก็ตามนั่งหรือนอนก็ตามความคิดอันเป็นบาปอากุศลเกิดขึ้น เขาจะทําการวิตกังสมยิตวานะเนี่ยว่าละลายความคิดอันเป็นบาปนั้นหรือแปลว่าสยบความคิดอันเป็นบาปนั้นสมยิตวานะเนี่ยเพื่อยางความคิดอันเป็นบาปให้มันสังหบกำราบไปอแล้วมันก็จะเกิดวิตกูปัสเบรโต มันจะเกิดอะไรถ้าว่ามันความคิดอันเป็นบาปมันเกิดขึ้นใช่ไหมเฮ้ยไม่ดีดีว่าต้องเอาให้มันดับโกรธอยู่ใช่ไหมเอาความโกรธที่ให้มันดับโดยที่เราไม่ต้องไปอยู่ในอำนาจของความโกรธเข้าสู่ลมโผตับพาลมรู้ๆๆๆจนจนว่าความโกรธมันดับโอ้ยมันดับไปแล้วพอดับแล้วรู้สึกไงเบาใจเพราะมันเกิดอีกเอามันดับอีกเบาใจมันเกิดอีกเอาให้มันดับอีกเบาใจมีกําลังมากขึ้นใช่ไหม ความเบาใจที่เกิดจากการที่ความคิดอันเป็นบาปดับไปบ่อยๆมันเกิดเป็นกำลังความยินดีความยินดีนี้มันเกิดยินดีอะไรเป็นธรรมหรือเป็นอาธรร ม, เ ป, รรมเป็นธรรมแล้วเพราะมันกำลังจะเกิดความยินดีในอะไรในความสังหบอันเนื่องจากความคิดอันเป็นบาปมันดับไปท่านใช้ศัพท์ว่าวิตตุปูปะสะเบระโต มันเป็นเรียงร้อยร้อยเรียงมาเป็นลำดับเป็นกำลังของมันนี่ลำดับมาพอมันยะดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่า iso, พภธตาดีโซภิกขุพุทธถุงสัมโพธิมุตตะมังผู้ช่นเนี้ยสมควรเดินอยู่ในเส้นทางที่ชื่อว่าสัมโพธิมุตทางที่ชื่อว่าสัมโพธิมุตพูดสั้นๆก็คือสวรรค์พระริพานประยันาเข้าใจยะ <laughs> เออ เพราะฉะนั้นเราต้องยังไงกลับไปถึงหัวเรื่องที่ว่าเมื่ออินทรีย์ห้าเกิดอะไรดับแล้วมีอะไรแถมศีลบริสุทธิ์โดยธรรมชาติถ้าไปพูดว่ามีอินทรีย์อินทรีย์ชั้นสมบูรณ์แล้วไปเจอแมงสาบ้ล่ตีทั่วบ้าน อ, อินทรีย์ฉันเกิดแล้วอินทรีย์ฉันเกิดแล้วเสียงเสียงมือป๊กเป็ก๊กเป็กตียุงอินทรีย์เกิดแล้วหมาข้าบรองเท้าไงไล่ตีทั่ววัดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะรู้แก่ใจของเราเองนะพูดเป็นอะไรทางฟังอ้าวมาเข้าเรื่องที่จะพูดนี่มันเกินเรื่องอธิบายเรื่องเมื่อเช้า <Huh? S 2> เรื่องที่จะพูดก็คือว่าอักุสนกองของอักุสนคืออะไรอันนี้ก็ไปดูในอักุสะละราศีสูตรเมื่อเช้าให้ไปเปิดดูกุสะละราศีสูตรอันนี้ไปเปิดดูอักุสะละราศีสูตรเราจะต้องมีคำพีมารับรองนะ คัมภีร์เชันของปฐมภูมิคัมภีร์เดชัน ม, มัดชิมมภูมิปัดชิมมภูมิเนี่ยเลเทะเราเอาคัมภีร์เดียวชั้นปฐมมภูมิอากูสล ร, ราสีสูตรกองของอากุศนที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงกองของอากูศนคืออะไรพระพุทธเจ้าว่าควรจะกล่าวว่าพระพเจ้าใช้คำนี้นะ แค่ทว่าควรจะกล่าวว่านิวนาคือกองของอกุศลอย่างแท้จริงเออไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วถ้านิวนาคือกองของอกุศลอย่างแท้จริงไม่ใช่ง่ายแล้วเราจะปล่อยให้เขกากำเริบไม่ได้นะทุกขนาจิต ถ้าหากว่านิบอนห้าทรงตัวอยู่นั่นหมายความว่าจิตกําลังถูกขับเคลื่อนด้วยกองของอกุศลไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วใช่ไหมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้ ว, ลวสมควรแล้วยังที่เราจะต้องเข้าสู่โผทพารลมสมควรแล้วใช่ไหมที่เราจะต้องเข้าสู่ลมชนิดที่เป็นโผทพารลมเพื่อไม่ให้อํานาจของอกุศลที่เป็นห้ากองนี้เป็นใหญ่ ถ้าเรารู้จักต้อนอุตพิดไหมรู้จักไหมที่มันเหม็นอ่ะพอมันเหม็นแล้วเราทำไงทำไงถ อ, อนดันทีบานเราขไปทิ้งใช่ไมเออ ท, ท, ที่ฉลาด <laughs> ส่วนใหญ่พอมันเหม็นก็ใช้มีดควนพอสักพักหนึ่งเป็นไง <laughs> ออกอีกเพราะอะไร <laughs> เพราะลําต้นและรากมันยังอยู่ รากของอุตตพิษรากของนิวรณ์คือฮะอ้าวรากของนะโอ้โหอย่าไปใส่ร้ย อ, ยงองกุศลมากนะรากของมันคือลําต้นคืออาสวะรากคืออนุใสแต่มีผู้ชายคนหนึ่งก็มีบุคคลคนหนึ่ง เขาควันแต่ดอกโผลขึ้นมาควันโผลขึ้นมาควันโผลขึ้นมาควันโผลขึ้นมาควันโผลขึ้นมาควันโผลขึ้นมาควันโผลขึ้นมาควันควันคันคันจนต้นมันเหี่ยวรากมันฟอเพราะฉะนั้นการการควันดอกเนี่ยไม่ใช่คันเฉพาะตอนที่มันเหม็นนะบางทีมันเหม็นไปแล้วมันเอาไม่อยู่ไง ปลูกมาฟันปลูกมาฟันพลูมาฟันปลูมาฟันปลูกมาฟันปลูมาฟันปลูมาฟันปลูมาวั น, น, นจนต้นมันเหี่ยวรากมันฟอจึงจะปราบมันได้หรือไม่ก็อย่างที่ไพวันว่า <c oughs> ถอนรากถอนยองใช่ไหมขุดขุ ด, ขดทิ้งเลยเ อ, อลําต้นคืออาสวะรากคืออนุสัยมันเกิดจากอะไรล่ะแล้วดอกมันคือดอกเละกลิ่นที่เหม็นนี่คือ นิวรเพราะฉะนั้นที่เราเดินคล้อชีวิตประจําวันของเราเนี่ยอํานาจที่เป็นใหญ่ในชีวิตประจําวันของเราส่วนที่เป็นอธรรมนะที่เคลื่อนไหวทางกายวาจาใจเนี่ยมันคือนิวรถ้ามันเป็นใหญ่อะไรดับย <c oughs> ินรียห้าดับไปไหว้พระมาเจ็ดวัดก็ไม่มีความหมาย <c oughs> <c oughs> ไปสร้างเจดีมารอยล้านก็ไม่มีความหมาย ถ้าอินทีอันนีว้วัวหน้าเป็นใหญ่นะนิวัวหน้าเป็นใหญ่นี่หมายความว่าอะไรใจมันขับเคลื่อนด้วยกองของอากุศนใจมันขับเคลื่อนด้วยอากูศลมีอากูศลเป็นใหญ่ที่เคลื่อนไหวอยู่พอมันจะทําก็ดีจะพูดก็ตามหรือแม้แต่คิดก็ตามมันจะปาราบแต่ตัวเองความเห็นแก่ตัวจะมาเป็นเบอร์หนึ่งเบลเลอร์เลยแล้วก็จะขัดใจง่าย จะต้องมีคนคอยเอาใจอยู่บ่อยๆจะต้องตามอกตามใจคำพูดอะไรแสลงหูไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นิดก็ไม่ได้หน่อยก็ไม่ได้ที่หัวเราะกันนี่เพราะว่าประจําใช่ไหมที่หัวเราะกันอยู่นี่ว่าเราเป็นประจําใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปต้องหัดมองนะหัดมองหัดแยกไอ้อกว่าอ๋อมันมาแล้ววิ่งไปไหนที่เป็น ลมหายใจจะต้องลมหายใจที่เป็น oh. โผทัพารมมันจึงจะได้สติที่บริสุทธิ์สมาธิที่บริสุทธิ์ถ้าไม่ใช่โผทัพารลมมีใคร oh. เราก็วิ่งวุ่นยาวอยู่ตรงนั้นแหละอย่างอย่างเดียวไม่ได้ต้องลมหายใจชนิดที่เป็น oh. โผทะพารมคือลมที่มันกระทบเฝ้าปั๊บรู้วางจิตผู้รู้ไว้ที่ไหนนิมิตแล้วก็เอาเลย ไม่ยอมอยู่ในอำนาจมันทำอย่างนี้บ่อยๆเดี๋ยวมันก็ฟอฟอรกระทบกระเทือนไปถึงไหนถึงต้นก่อนที่ <laughs> ถึงต้นก่อนต้นมันก็จะเหี่ยวพอต้นเหี่ยวรากก็อฟอ <laughs> <laughs> พวกนี้ดีเนาะสอนง่าย เพราะฉะนั้นเรื่องของนิบอนไม่ใช่เรื่องง่ายๆเอาไปเล่นเล่นไม่ได้แล้วนะอย่าไปยอมเขาอีกง่ายๆเว้นได้แต่บางตัวบางกองนะใครติดซีรีส์อะไรเนี่ยก็กลับไปก็พิจารณาพอถึงเวลาดูไม่ดูดีวะถ้าดูแพ้ถ้าไม่ดูแม้จะชนะแต่มันก็เสียดาย เออพวกช็อปปิ้งชอบทั้งหลายเละอะไรที่มีมีอยู่ตรวจสอบดูได้มั่งเสื้อผ้าเสื้อผ้ า, าเครื่องแต่งตัวรองเท้าดูหน่อยว่าที่มีอยู่นี่มันเพียงพอแกการใช้ชีวิตแล้วหรือยังที่มีอยู่นี่มันดูถือว่ามันเกินตู้แล้วไม่มีที่จะเก็บแล้วพอก็ประกาศโฆษณามาก็จะเอาแต่จะซื้อเอาแต่จะซื้อต้องถามสอบถามตัวเองดูหน่อยน ะ, ะวันนี้ เขาประกาศโฆษณามาแล้วเพราะว่ามันมีสายอยู่นี่ใช่ไหมชอบอะไรชอบ ป, ปี้มัง่งอะไรอะไรโฆษณาเยอะแยะนี่มันเตือนติงต้งตังต้งติ้งตัง้งหุ่ยไอ้นี่รถรถสิบเอดเดินสิบเอ็ดสิบสองเดินสิบสองเอ้เอาดีหรือไม่เอาดีถ้าเอาแพ้ <c oughs> ถ้าไม่เอา <c oughs> มันผ่านไปแล้วเสียดาย <c oughs> ชนะแต่เสียดายเอาไงดีวะเออนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดินนะตกลงว่าเป็นไงแพ้แพ้เพราะฉะนั้นนักรบของพระพุทธเจ้านี่จะต้องแกล้วกล้าอาดหานต้องกล้าต้องกล้ากับมันอาจริงๆต้องกล้ากับมันต้องชนะแพ้ไม่ได้อย่าไปแพ้กับมัน ว่าดูที่โอ้โหแต่ละคนน่ะของชายนี่มันเกินตัวไปเยอะแล้วแต่ที่ต้องไปซื้อไปหาอยู่นี่ไปด้วยอานาจของเป็นอำนาจของนิวรนิวร์วรจะเป็นตัวที่เคลื่อนไหวเป็นใหญ่ในชีวิตปัจจุ บ, บันของเราให้พึงระวังไว้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ่นแล้วหลังจากที่นอาอักุสละราศีสูตรมาประกาศให้พวกเราได้รู้แล้วก็ไปสืกหาค้นค้าดูตามหลังนะว่า นิวณพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นกองของอกุศลถ้าเรายอมมันแสดงว่าเรายอมให้จิตของเราขับเคลื่อนด้วยอะไรแล้วเราจะมาพูดได้ยังไงว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้อกุศลที่เขาขับเคลื่อนในใจของเรามันก่อขึ้นเป็นกรรมใช่ไหมเป็นกรรมทางความคิดกรรมทุกกรรมการกระทําทุกตัว มีผลสะเบอจําไว้ทุกความคิดที่เป็นอกุศลจะต้องมีผลของมันสะเบอืเ อ, อไม่มีการกระทําใดที่ไม่มีผลนะทุกๆ ก, การกระทําไม่ว่าทางกายทางวาจาหรือทางใจทุกการกระทํามีผลสะเบอเพราะฉะนั้นเราเวลาเรามีอินทรีย์เราเชื่อเนี่ยเชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อใน เรื่องกรรมและผลของกรรมเมื่อย่างไม่หวั่นไหวใช่ไหมเราก็จะสามารถที่จะมีศีลได้แล้วก็ยับยังนิวนห้าได้ไม่หลังจากวันนี้แล้วไม่ควรปล่อยให้มันเรื่องอำนาจนะแค่นะใช่ไหมพยาบาท เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเหตุปัจจัยของมันมีไหมพยาบาทคือแบบไหนพยาบาทไม่ได้หมายความว่ามันโกรธกันไปโกรธกันมานะฮะเออผู้โกรธเหรอืม พวาพยาบาทคืออะไรอ่ะโกรธเป็นพยาบาทไหมาากำลังของความโกรธความขัดใจมีอยู่แต่เขาไม่สามารถที่จะมีอำนาจทำ้ายใจของเราได้เรียกว่าเอาอยู่แต่ถ้ามันเลยไปกว่านั้นมันจะเข้าสู่ขั้นของพยาบาทอันพยาบาทที่เขาจะไอ้ตัว ตัวโซนของความโกรธอ่ะโซนของความโกรธตัวที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนไหวเป็นอักกุศลคือตัวที่โตขึ้นมาถึงขั้นที่เรียกว่าพยาบาทในโซนของความโลภถ้าความโลภปกติไม่เป็นไรแต่ความโลภที่เราเอาไม่อยู่เขาโตขึ้นมาอยู่ในอํานาจตัวหนึ่งที่เรียกว่าอภิชาตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่เบื้องหลังของ ของกรรมแล้วนิวรณจะไม่ใช้ความโลภโดยตรงนิวรณจะไม่ใช้ความโกรธโดยตรงนิวรณจะไม่ใช้ทั้งหล่านี้แต่นิวรณจะไปอยู่ร่วมสมทบเป็นกําลังขับเคลื่อนตัวอภิชาในส่วนของความโลภตัวพยาบาทในส่วนของความโกรธความรู้สึกสุดท้ายเจตนาสุดท้ายก่อนที่เราจะทําอะไรไปตามหน้าของความโลภสมมุติว่าเราทํางานบริษัทสมมุตินะไม่ใช่เรื่องจริงนะ สมมุติว่ า, เ, าเราอยู่ฝ่ายจัดซื้ อ, เ, อเราไปหัวอยู่กับซัพพลายเออร์แล้วก็เก่งกันมาให้ทางน้เปิดบินมาบวก้าไปอีกสี่เเห้าเปอร์เนสิบเปอร์เซก็แล้วแต่ใช่ไหมบริษัทจ่ายทั้งนั้นไปส่วนที่เป็นสิบเปอร์เซที่เหลือมันก็มาให้เราบนในฐานะเป็นผู้จัดซื้ออย่างนี้เป็นอภิชาแต่ แต่ถ้าเราซื้อกันตรงไปตรงมาจะซื้อล่อยตรงไปตรงมาฝัาง่งโนูก็เห็นว่าเออเราเป็นลูกค้าที่ดีใช่ไหมไม่ไปอนบริมือกี้เขาตอบแทนเป็นรางวัลขึ้นมาพาเราไปเลี้ยงข้าวหรือให้ซองให้อะไรมาแบบเปิดเผยไอ้นี่เป็นโลกปกตินะไม่ทุจริตนะแต่ถ้ารับนอกเหนือจากนั้นเป็นทุจริตทุจริตนั้นคืออภิชาเป็นความอยาก ชนิดที่เรียกว่าอภิ ช, ชาถ้าโกรธเนี่ยเห็นหน้านี่เบื่อที่หน้าชัดหมายเลยแต่อยู่ในใจสมมตินะอยู่ในใจแล้วเสร็จแล้วก็คลายๆลายเมตตามันเมตตามันเมตตา ม, ไ, ม, ตามไอ้นี่เป็นโกรธปกติถูกไหมแต่ถ้ามันมากกว่านั้นถึงขนาดที่ไปดา่าไปว่าไปแสดงอาการกิริยาออกไปเนี่ยไอ้นี่เป็น พระยาบาทเพราะฉะนั้นนิวรณ์เนี่ยเขาจะทํางานในส่วนที่ที่เกินไปจากฐานของโลภปกติเกินจากฐานของโกรธปกติเกินจากฐานของหลงปกติ<ม>เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่แม้ปุตุชนก็ไปยังไงก็ต้องปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติ ไม่ใช่เรื่องว่าต้องเป็นอริยะนะถ้ารอไว้เดี๋ยวก่อนให้ได้อริยะก่อนสบายรอให้เป็นอริยะแล้วค่อยปฏิบัติมันเป็นความคิดที่อาภัพมากนะอย่าอย่างนั้นนะต้องจัดการเลยนะเพราะว่ารู้แล้ววันนี้ว่านิวรณ์มันเป็นอะไรเป็นกองของอกุศลอย่างแท้จริงอย่ายอมมันอย่ายอมมัน แล้วก็อีกหลายๆเรื่องส่วนของที่ชื่อว่านิวรนนั้นเรายอมเขาไม่ได้แต่บางทีเราก็ไปใส่ร้ายบางสังบางอย่างมันไม่ใช่นิวรนนะออบางอย่างมันไม่ใช่นิวรนแต่บางอย่างมันก็เป็นนิวรนต้องคอยสังเกตดีๆนิวรนคือกิเลส ท, ที่บัญหยาบที่สุดผิวหน้าที่จะออกมาร่วมกับการกระทาของเราแล้วก็มันมาจากอะไรล่ะ มันมาจากกิเลส ท, ที่อยู่ชั้นกลางถ้าไม่มีกิเลสชั้นกลางถ้าไม่มีต้นมันจะมีดอกไหมไม่มีเออถ้าไม่มีรากมันจะมีต้นไห ม, ไ ม, มเออนั่นเหมือนกันเหมือ น, นกันทั้ตัวนีวรนจริงๆอะที่ในที่นี่เราเรียกว่านิวอนหแต่ความเป็นจริงแล้วนี่วอนมีเยอะไหมในอนาา น, นี้วอนมีเท่าไหร่รู้เปล่าบฮะใช่เออ 8ไม่ใช่เหรอ8ปดโอ้ลวงพ่อความเป็นส8บแปดยัมามาจากไหนวะหลก็ตกใจนิวรที่จะเกิดในอานามีแปดอุปกิเลสในอาณาเวลาเราูบหายใจอุปกิเลสจะมีส6บหเอแม่น น, นะอุปกิเลสในอาณาปานสติจะมีส6บกเดี๋ยววันหลังก็พูด นิวร น, นั้นมี 8. นิวรนนีแ8คืออะไรนิวร น, นีห้าแล้วอ่าที่พูดนี่5แล้วอะไรอีกอรติแล้วอะไรอีกอวิช า, า, ชาแล้วก็อากุศลสรุปความว่านิวรนตกลงมันมี8หรือมีเท่าไหร่กันแน่เพราะอากุศลทั้งหมดล้วนเป็นนิวรนในอาณา ตรงโลว่ามันมีแปดแปประเภทแต่แต่ว่าไม่ใช่แปดแปดชิ้นแปดอันนะโอ้โหมันมีอํานาจมากสรุปฟาร์มว่าเขามีอํานาจมากในชีวิตประจํวาวันของเราเราจะให้ชีวิตของเราตกอยู่แต้อานาจของนิวรณ์ไม่ได้แล้วไม่มีนิวรณ์แล้วเนี่ยใช้ชีวิตตามปกติได้ไหมทํางานออฟฟิศได้ไหมฮะบางคนบอกถ้าไม่มีนิวรณ์แล้วเนี่ยแต่ ง, งานได้แต่ ง, งานไม่ได้โอ้โหนางวิสาขาเป็นอะไร โสดวาบันตั้งแต่เจ็ดขวบแต่งงานอายุเท่าไหร่ตกลง15บห้าหรือสิบกแต่งงานอายุสิบมีลูกเท่าไหร่มีลูกยี่สิบเป็นโสดาบันตั้งแต่เจ็ดขวบนะยังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะเลยขั้นของนิวรก็มีกลงเพราะฉะนั้น แค่เราไม่ให้นิวรมีอำนาจเป็นใหญ่ในการใช้ชีวิตนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราดำเนินชีวิตอย่างสุจริตเห็นไหมความคิดก็ถูกความเห็นก็ถูกความการพูดก็ถูกการกระทำก็ถูกอาชีพก็ถูกความเพียรความพยายามต่างๆก็ถูกความระลึกนึกรู้ก็ถูกความตั้งใจก็ถูกต้องไปหมดแล้วมันไม่ดีเหรอ อย่างนี้มันเป็นสามีได้ไหมเป็นสามีที่คิดถูกเป็นสามีที่เห็นถูกเป็นสามีที่พูดถูกเป็นสามีที่ทาถูกเป็นสามีที่ถูกถูกครูไปหมดอะมาเป็นภรรยาได้ไหมเออว่าก็เป็นภรรยาที่พูดถูกคิดถูกทำถูกแล้วมันไม่ดีตรงไหนนี่แค่ชั้นของนิวรณ์นะปรับขึ้นไปพอเราไม่ให้นิวรณ์มีอำนาจ ในใจของเราเราเริ่มเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแล้วเรียกได้เลยว่ายายคนนี้คือพุทธบุตรคนนี้คือพุทธบุตรคนนี้คือพุทธบุตรพุทธบุตรนอกนั้นเกอถ้ายังไงนิวรณ์เป็นอำนาจอยู่นะเกอพราะรู้ตัวว่าเป็นนิวรณ์แล้วต้องไม่ให้มันมีอำนาจรู้ตัวว่ามันนิวรณ์แล้วต้องไม่ให้เขามีอำนาจต้องไม่ให้เขามีอำนาจแล้วเราจะรู้ว่าเราคือพุทธบุตร นี่ต้องตรงไปตรงมาอย่างนี้อ่านหนังสือไม่ออกทําได้ไหมไม่มีความรู้ทําได้ไหมรวยได้ไหมจนได้ไหมหญิงได้ไหมชายได้ไหมโอ้โหทุกทุกสถานภาพทําได้หมดเลยเพราะมันเป็นเรื่องที่มีอยู่ในกายในใจของเราเพราะฉะนั้นให้ซึ้งสะหนักไว้นะในบรรดากุศลทั้งหลายอะไรเป็นกองของกุศล อะไรเป็นกองของกุศล อ, อะไรเป็นกองของกุศลสติปฐานสี่อะไรเป็นยอดของกุศลเพราะว่าเราบอกว่าสติปฐานสี่ใช่ไหมเราสามารถอยู่กับกุศลที่เรียกว่าสติปฐานสี่นั้นผ่านทาง ลมหายใจที่ชื่ออาณาปานสติลมหายใจมีหลายแบบนะลมหายใจแบบโยคะลมหายใจแบบอะไรอะไ ร, อะไรของจีนน่ะไทยเ๊กไทยเก๊กมีอะไรจี้จี้ไม่ใช่จี้กงไม่ใช่ <c oughs> อะไรอะไรอะไรไม่รู้เออไทยจี้อะไรเนะี่ยมีลมหายใจหลายอย่างแต่ลมหายใจในที่นี้คือลมหายใจที่เป็น อาณาปานสติคือที่พระพุทธเจ้าสอนเท่านั้นอ้าวแล้วเพิ่งรู้ว่าอะไรเป็นอกุศล น, นิวรณห้าถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้จิตของเราเคลื่อนไหวด้วยกุศลไม่ปล่อยให้อกุศลมีอำนาจและไม่เติมอาหารให้กับอกุศลอาหารของอกุศลรู้จักไหม อะไรเป็นอาหารอาหารของนิวรณฮะอะไรเป็นอาหารของนิวรฮะเอออาวิชาอาวิชาเป็นอาหารของนิวรณ พึงรู้ไว้เพราะฉะนั้นการที่เราเข้าสู่ลมหายใจชนิดที่เป็นโผทาภารมเราสร้างอะไรเรากำลังทาจิตรู้ให้เขามีตัวรู้พอเขาตั้งมั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆยๆืๆตัวรู้ก็จะเกิดขึ้นมาเป็นธรรมชาติตัวรู้นั้นน่ะตัวรู้นั้นจะเป็นอนิสิตะเขาจะไม่ประกอบไปด้วยตัณหามาณทิฏฐิพอมีกำลังแล้วตัวรู้นี้ก็จะมีองค์ประกอบแประการ เราเรียกว่าญาณตัวรู้ที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมีกําลังขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเป็นญาณเราเรียกว่าสัมมาญาณสัมมาญาณจะประกอบไปด้วยองค์แปดประการคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวจาสัมมากรรมปันตสัมมาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสมมาสัมมาทิ พอพอตัวรู้มีกำลังขึ้นมาเป็นยานเป็นสัมมายานมักก็จะที่เรียกว่ามัคคะสมังคีใช่ทางนี้คือทางที่เดินเข้าไปถึงมัคคะสมังคีด้วยอำนาจของตัวรู้ที่โตขึ้นมาเป็นยานรู้ชื่อชื่อตรงตรงอย่างนี้แหละรู้ไปเรื่อยเรืยู้โง่โงเช้าเขาบอกให้วิ่งก็วิ่ง กระสอบก็ตีกะสอบล่อเป้าก็ล่อเปล่าชกลมก็ชกลมทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยวิชามวยมันก็เกิดอืเข้าใจปะเพราะฉะนั้นพึงระวังนะตอนบ่ายนี้บอกพึงระวังนิวร์อย่าให้เขามีอํานาจ <c ười> ถ้าเขามีอํานาจเมือ่อใดเสร็จหมดแล้วมันกินหน้าปัวนะ มันกินอะไรมันกินสติมันกินความตั้งมั่นมันกินปัญญาที่เราอบรมมาเนี่ยนี่นั่งสมาธิมาหลายสำนักใช่มมีหลายฐานขึ้นมานี่วอนกินหมดอ่ะนี่วอนจะกินสติที่เรากฝึกฝนอบรมนี่วอนจะกินความตั้งมั่นของใจนี่วอนจะกินอุเบกขานี่วอนจะกินกุศลทั้งหมดที่มี มันจะกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าอาภิธรธติตาลยาเดให้รีบขวนขวายในการเข้าสู่กุศลปาปาจิตตังนิวรเยในขณะเดียวกันให้พึงหักห้ามจิตออกจากบาปทันทังหิกระโตปุญญงถ้ามัวชักช้าผลัดวันประกันพรุ่ง ปาปัสมิงรามติมาโดแปลว่าแปลว่าอะไรเกิดอมไหมแปลว่าถ้ามัวชักผัดวันประคุกนะใจเราเนี่ยที่นั่งเดิมนี่น่ะมันจะไปยินดีในบาปแทนมันจะไปยินดีในบาปแทนด้วยอำนาจของนิวรณ์ถ้ามัวชักช้าอยู่นะไม่รีบขวนขวายในเรื่องของกุศลไม่มั่นคงในเรื่องของกุศลใจเราเนี่ยโอยมันน่ากลัวที่สุด มันจะไปยินดีในบาปแทนเพราะตัวสติธรมาติ่อิริโอตะปะมันดนนิวรณกินอยู่เลยอ่ะมันกินอยู่เรื่อยความามารของนิวรณ์เป็นใหญ่ก็หมดตัวคุ้มครองภูมิคุ้มกันของเราไม่มีมันก็ติดเชื้อง่ายใช่ไหมทีนี้ติดเชื้อง่ายแล้วไอ้น่นตัวโรคมานิดหน่อยก็เอาร้อยสองร้อยขอเอาโอเคไม่มีข้อสงสัยนะต่อภาคบ่ายบรรยายภาคบ่ายเนี่ว่าให้ยุติ ให้ใจนี้มีอํานาจในการที่จะไม่ไปอยู่ในอานาจของนิวรณ์จำไว้เลยแหละมันยิ่งเราอยู่ในอํานาจมันมากเท่าไหรโมหะเนยเยซูมุชิโตใจของเราก็จะตกอยู่ในอำนาจของโบหะโบหะจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเวลาโบหะใหญ่ขึ้นนะมันหลอกเราน่ากลัวมากเลยมันจะสร้างตัวหนึ่งเรียเรียกว่านันทินันทิจะมาพร้อม เมื่อโบหะมีกําลังนันทิความเพลิดเพลินยินดียินดีไปทั่วอะไรที่ชอบมันยินดีไปหมดเคยเห็นเคยไปคาสิโนโไหมเคยไปไหมเป็นไงโอ้โหมันยิ้มเย้มแจ่มใสวัวรถสนุกสนานยินดีหมดแล้วคอก็เอาไปขายแล้วมือก็เอาไปขายแล้วขายแล้วมันยังยินดีพอใจยินดีเพราะนั่นคืออะไรนันทิน่ากลัวมากเลยนันทิเนี่ย น่ากลัวจริงๆอืมนับรองพอโบหะมีอำนาจมากขึ้นโบหะเขาไม่ได้ไปทํางานดูตัวเองนะเขาจะมีตัวนันทิคอยกระชากลากไปกระชากลากไปกระชากลากไปกระชากลากไปเรามีลูกมีหลานมีพี่มีน้องที่เห็นว่าเขามีปัญหาในเรื่องเหล่านี้พอเรามองปับ๊บเราจะไปแก้เขาด้วยอะไ ร, บ, รบังคับตัดเงิน บังคับอย่างนน้นบังคับอย่างนี้บังคับอย่างนั้นไม่มีทางในที่สุดเราก็ได้ศัตรูเพิ่มมาคนเราเข้าไปแก้ไขจัดการใครคนนั้นก็จะเป็นศัตรูกับเราและใครเข้ามาแก้ไขจัดการเราเราก็จะเป็นศัตรูคนใช่ไหมมันน่า ก, กลัวไหมล่ะเพราะฉะนั้นการแก้ไขและการจัดการเนี่ยอย่างนี้อาจจะถูกแล้วเนี่ยเาค่อยๆทยอ ย, อ ย, า ย, อยพามายตัวเล็ก ค่อยๆค่อยๆท ย, ย, ยอยพาพามาให้ให้เขาได้เรียนรู้ได้เห็นได้ฟังได้แทรกซึมให้สิ่งดีๆเข้าไปก่อตัวขึ้นมาเป็นพื้นฐานภายในเพื่อที่จะไปมีกำลังจะไปหัดข้อกับนิวรณ์ของพระสำนักปฏิบัติหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์เนี่ยตั้งแต่รุ่นไหนๆมาท่านมีอยู่ตัวหนึ่งที่สู้กับเรื่องเหล่านี้คือข้อวัดอย่าไปปรามาสพวกพระ ที่ท่านมีข้อวัดนะจะบอกให้ไปเช้าขึ้นมาตื่นเวลานั้นทําวัดเวลานั้นเดินจงกรมเวลานั้นกวาดตาดเวลานั้นล้างบาทเวลานั้นถูสาลาเวลานั้นทําวัดเย็นเวลานั้นข้อวัดท่านเยอะมากข้อวัดทั้งหมดล้วนแต่เป็นตัวที่คลี่คลายปมของนิวรณ์ทั้งนั้น่ะอืม อย่าเที่ยวไปปรามาสไปควังท่านพูดประโยค2องประโยคเลยแปลว่าโอ้ยพระองค์นี้อย่างนั้นพระองค์นั้นอย่างนี้ยา่เนะะ <c oughs> ยาไปปรมาสเด็ดขาดเลยพระที่ท่านมีข้อวัดสืบทอดมาจากครูบาอาจารย์นี่อันตรายมากนะบาปใส่ตนโดยใช่เหตุอ้าวเตรียมไอพักห้านาทีถึงเจ็ดนาทีแล้วมานั่งภาวนากัน